จเจริญพรท่านทันลบผู้บริหารของพอสรอก็กลุ่มธรรมทานก่อนอื่นก็ขอโนมโมธนานะทั้งพอสรอกับกลุ่มธรรมทานที่ให้โอกาสหลวงพ่อมาแสดงธรรมนี่หลวงพ่อจะแสดงธรรมนะพวกเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองในการตั้งใจฟังธรรมด้วยแสดงอยู่คนเดียวแล้วถ้าใจของคนฟังไม่พร้อม ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรธรรมาภาคปฏิบัติไม่เหมือนธรรมาภาคปริยัติภาคปริยัติเนี่ยก็เตรียมมีโผในการเทศมาภาคปฏิบัติไม่มีเราเทศกันด้วยใจจริงๆใจของคนฟังพร้อมที่จะรับธรรมะระดับไหนครูบาอาจารย์ก็จะเทศให้พอดีพอดีคนฟังเนี่ยถ้าคนฟังใจวัแกแวกวัแกแยกธรรมะมันก็ไม่ดี ไม่ประนีตถ้ากดฟังสงบสํารวมฟังด้วยใจที่เปิดกว้างธรรมะมันก็ราบรื่นนี่เป็นลักษณะการฟังธรรมะในภาคปฏิบัติสมัยหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์แค่เรานั่งจดยังไม่ได้เลย น, ะนั่งจดยังไม่ได้เลยแค่นั่งฟังเอาทาสมาธิไปแล้วก็ฟังไปธรรมะอันไหน ถึงอกถึงใจนะจิตมันจะตื่นตัวขึ้นมาฟังเองเนี่ยเรียนธรรมะเรียนกันด้วยใจจริงๆเดี๋ยวนี้เครื่องทุนแรงเยอะนะเวลาหลวงพ่อไปเทศนะ์นะจะมี m อ3มพสามาวางเกลื่อนเลยประเทศเสร็จก็เจ็บกลับไปไม่ค่อยหมดหรอกมักจะเหลือทิ้งไว้สองสามอันนะฟังธรรมะแล้วลืมลืมเครื่อ ง, องบันทึกเสียงเ <c oughs> มื่อกี้ได้ยินอ่านประวัติหลวงพ่อนะ ว่าหลวงพ่อไปอ่านหนังสืออริยสัจของหลวงปู่วันนี้เทศเรื่องอริยสัจก็แล้วกันอริยสัจเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดนะกว้างกวางที่สุดเลยครอบคลุมธรรมะทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนาเอาไว้อริยสัจเนี่ยมีธรรมะตั้งแต่ไฟธรรมะายเกิดธรรมะายดับก็มีธรรมะายที่ปรุงแต่งธรรมะายที่พ้นจากความปรุงแต่งก็มี ธรรมะที่เป็นส่วนของเหตุก็มีธรรมะที่เป็นส่วนของผลก็มีนันเป็นธรรมะที่กว้างขวางมากเหมือนรอยเท้าช้างพระพุทธเจ้าท่านเทียมไว้อริยสัตว์เหมือนรอยเท้าช้างสมัยพุทธกาลเนี้ยช้างมันตัวใหญ่กว่าสัตว์บกทุกชนิดทั่นเลยเทียบเป็นรอยเท้าช้างหลวงพ่อทีแรกนะหลวงพ่อก็หัดภาวนาหัดทำสมาธิ แต่ก่อนนี้ใครภาวนาก็คิดแต่เรื่องสมาธิก่อนแหลวงพ่อก็นั่งสมาธิไปเรื่อยตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เจ็ดขวบหายใจเข้าพุทหายใจออกโตนะ้ฝึกอยู่อย่างนี้ก็ทําแต่ความสงบอยู่22ปีวันนี้สงบอีกวันก็ฟุ้งซ่านวันนี้ฟุ้งซ่านอีกวันสงบฝนะึกอยู่อย่างนี้ก็ฝันลมๆแรงๆนะวันหนึ่งวันหนึ่งข้างหน้าอนะไรคงจะได้ธรรมะ แต่มันไม่เห็นวิแววมันจะได้ธรรมะตรงไหนนั่งทําสมาธิไปเรื่อยก็ได้แต่ความสงบเจนวันหนึ่งไปอ่านหนังสือไม่ใช่หนังสืออริยสัจอะไรหรอกนะไปดูหนังสือของวัดสัมพันธวง์เขาพิมพ์เขาทาเหรียญหลวงปู่แหวนมารุ่นหนึ่งรุ่นสร้างโบสถ์แล้วเขาก็เลยทําทําเรียบรุ่นเหรียญหลวงปู่แหวนหลวงพ่อไปเช่าเหรียญสร้างโบสถ์มาอ่านหนึ่งนะ ได้สร้างบทด้วยอะไรด้วยแล้วก็โอ้เรามีตั้งหนึ่งอันเราต้องรู้ทำเนียบรุ่นด้วยไปซื้อทำเนียบรุ่นมาดูในหนังสือนะั้นมันมีพื้นที่เหลืออยู่นิดหนึ่งนี่เป็นบุญคุณของคนพิมพ์พื้นที่เหลือไม่เอาไปทิ้งเปล่าๆ เ, เอาธรรมะของหลวงปู่ ด, ดูลลงไว้บอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธธรรมดาจิตย่อมส่งออกนอกมีอีกบทนะธรรมดาจิตย่อมส่งออกนอกแต่ถ้าส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวไปตามอารมณ์เนี่ยเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวเป็นทุกข์ถ้จิตไม่ส่งออกนอกไม่ก็เพิ่มวันไหว้าเจริญมรรคอยู่มีผลเป็นนิโรธ ท่านก็สรุปตอนท้ายบอกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันนะเพราะว่าพระอริยะเจ้าในความหมายของครูบาอาจารย์ภาคปฏิบัติพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบั่นไหวท่านมีความรู้ตัวอยู่นะเป็นมิหารธรรมอ่านตรงนี้แล้วประทับใจว่าเออจริงนะถ้าจิตมันไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์ มันรู้สึกเข้ามาถึงใจแต่เดิมเคยแต่ภาวนาทําความสงบอย่างเดียวนะสติปัญญาอะไรไม่มีหรอกแล้วตอนเป็นนักศึกษาเนาะเพียนหนักเนไปอ่านหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสอ่านไม่ดีไม่ใช่หนังสือท่านไม่ดีนะหนังสือท่านดีแต่ไปอ่านผิดอ่านแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยคนที่อ่านหนังสือ ของท่านบางคนนะผมเป็นแบบหลวงพ่อเหมือนกันอ่านไม่ระมัดระวังงานแล้วนว่าตายแล้วศูนย์ยังบุญนะตอนนั้นไปเจอท่านอาจารย์สุชีพบุญญาลุภาพที่ทางานร่วมกับท่านตอนนั้นรับราชการอยู่สภาความมัน่นคะงทางานหลวงพ่อเป็นกรรมการศาสนาอยู่ในกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติอีจริงๆนั้นมีโอกาสเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นปราฏิจจริงๆ ท่านคุยๆกับเราแล้วท่านรู้ว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าตายแล้วศูนย์ท่านเรียกมาเลยนะแล้วก็ท่านพูดภาษาบาลีให้ฟังแล้วก็แปลให้ฟังด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้นะแล้วก็โอ้เราเข้าใจผิดละเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเนธรรมะถ้าเรียนไม่ดีเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าพอท่านสอนนะเราก็มาศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่ายังลงมือปฏิบัติไม่ไม่เป็นไม่เจริญปัญญา ถ้าทำแต่สมัาธิจะไปเจอหลวงปู่ดุลพออ่านธรรมะของท่านนะท่านบอกว่าจิตส่งออกนอกแล้วมันเป็นเหตุนะผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตแหนจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมากผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธมันซาบซึ้งถึงใจรู้สึกว่าเออถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ถ้าจิตเราไม่ทุกข์สัอย่างเดียวใครจะทุกข์ก็เรื่องของมันสิ ร่างกายจะทุกข์ก็เรื่องของร่างกายจิตไม่ทุกข์ด้วยความทุกข์เข้าได้แต่ร่างกายความทุกข์เข้าไม่ถึงจิตเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อัศจรรย์มากเลยความทุกข์เข้าไม่ถึงจิตถึงร่างกายจะเจ็บป่วยจะแก่จะเจ็บจะตายนะแต่จิตไม่ทุกข์เนี่ยถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรรมได้ถึงขีดจริงๆจิตมันพ้นจากความทุกข์ได้ไปหาท่านนะไปขอเรียนกรรมฐานกับท่านท่านก็สอนให้ดูจิต ท่านสอนนบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองถ้าอ่านจิตตนเองแล้ววันหนึ่งจะเห็นอริยสัจแห่งจิตอริยสัจแห่งจิตจิตส่งออกนอกเป็นยังไงเรามหัดภาวนาเราจะรู้เลยจิตของเราออกนอกทั้งวันจิตเดี๋ยวก็หลงไปดูรูปเดี๋ยวก็หลงไปฟังเสียง หลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจจิตมีแต่หลงทั้งวันเนี่ยจิตส่งออกนอกทั้งวันหลงเอาไปแล้วเป็นไงไปเห็นรูปแล้วก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างยินดีจิตก็กระเพื่อมหวั่นไหวยินร้ายจิตก็กระเพื่อมหวั่นไหวยินดีก็อยากได้ยินร้ายก็อยากให้มันหายไปใจนี่มีแต่การดิ้นรนตลอดเลย ภาวนาไปนะเห็นไหมจิตมีแต่ถูกบีบคั้นนะวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะความอยากมันเกิดนั่นเองคําว่าจิตส่งออกนอกเอาเข้าจริงนั้นทําไมมันออกนอกเคยได้ยินคําว่าตันหาไหมตันหาแปลว่าอะไรความทยานอยากทยานนะทยานจริงๆมันกระโดดออกไปตะกรุบอารมณ์จริงกระโดดไปปุ๊บเจออารมณ์นะตะครุบไปได้จับอารมณ์ไปได้ตรงจับอารมณ์ได้มันเป็นอุปาทาน เข้าไปยึดถืออารมณ์เนี่ยธรรมะสั์แต่ละคาแต่ละคำนะมีสภาวะรองรับจริงๆตันหามีสภาวะจริงๆเป็นความทยานเป็นความอยากของจิตจริงจริงที่จะหิวอารมณ์อยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายนะอยากหาอารมณ์เพืดเคลินไปทางใจตันหามีทั้งหกช่องนั้นจิตส่งออกนอกได้หทาง ส่งไปทางตาวิ่งไปดูแล้วเพลิดเพลินไปส่งไปทางหูวิ่งไปฟังแล้วเพลิดเพลินส่งไปทางใจวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็เพลิดเพลินไปถ้าจิตส่งออกไปนะเราไปหลงอยู่อารมณ์นะใจจะเสียสมดุลนะใจเสียอิสรภาพใจซึ่งเคยโปร่งโล่งเบากลายเป็นใจที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเกิดทันทีที่เข้าไปตะครุบอารมณ์นั่นแหละถ้าเมไร่จิตเข้าไปยึดอารมณ์นะความทุกข์ก็เกิดขึ้น ภาระทางใจเกิดขึ้นจะหนักขึ้นมาคนโบราณเก่งนะพูดคําว่านั่งอกหนักใจพวกเราหัดภาวนาแนละ้วรู้สึกไหมเวลากิเลสเกิดนะเวลาจิตยึดอารมณ์นี่มันหนักอกหนักใจจริงๆนะถ้ากิเลสหนาหนาหน่อยยึดแรงแรหน่อยนะมันหนักอกนะเหมือนภูเขามาทับเลยนัง่งอกหนักใจเนี่ยคนไทยโบราณนะเขาชํชนานิชํานาญเรื่องจิตจริงๆนะัเรามีศัพท์ที่แสดงถึงความรู้สึกทางจิตใจตั้งหลายร้อยคำํำ มีตั้งหลายร้อยคำหลวงพ่อเคยรวมไม่ได้ตั้งสองอยกว่าคำถ้ามีอีกคนหนึ่งเขาไปรวมมนได้สามร้อยกว่าคำเขามาให้ดูเยอะแยะเลยอย่างคำว่าอิจฉาใช่ไหมอิจฉารู้จักไหมกลัวรู้จักไหมเกลียดรู้จักไหมนี่ความรู้สึกนะนานาชนิดดีใจเสียใจใจดำใจดำรู้สึกไหมมันดำจริงๆใจผ่องใสรู้สึกหม ผ่องก็อันหนึ่งนะใส่ก็อันหนึ่งนะออบางทีใสแล้วไม่ผ่องก็มีเนี่ยมันมีสภาวะที่ละเมียดละใหม่มากเลยนะเนี่ยหลวงพู่ดูลย์สอนบอกให้ดูจิตตนเองแล้วบอกว่าถ้าดูจิตตนเองเนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักตอนแรกๆหลวงพ่อไม่เข้าใจคํานีนะ้เข้าใจยากนะคําสอนของหลวงปู่ดูลยนะ์คำแต่ละคําของท่านนะก็ครอบคลุมความหมายเอาเยอะแยะเลยแล้วถ้า ไม่เข้าใจคําสอนของท่านจริงนะจะรู้สึกว่าคําสอนของท่านนะขัดกับพระพุทธเจ้าด้วยซ้ํำไปอย่างทําไมท่านบอกว่าผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์อะไรเป็นตัวทุกข์ถ้าอย่างของพระพุทธเจ้านะสิ่งที่เรียกว่าทุกขนะ์ก็คือรูปานามขันท่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานนะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าคือตัวทุกข์แต่ความจริงตัวเนี้จิตไปหยิบไปช่วยมา มีตัญหานะเข้าไปหยิบไปช่วยเอารูปนามอมะรูปนามนั้นเป็นทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองแต่ถ้าจิตไม่เข้าไปหยิบไปช่วยนะ e มันก็ทุกข์อยู่ส่วนของมันนะเราไม่เกี่ยวแต่ถ้าจิตเข้าไปหยิบช่วยมาจิตจะทุกข์ไปด้วยนะนั้นขันนะ่ะเป็นทนะุกข์ถ้าภาวนาไปถึงขีดสุดจริ ง, จร ง, จรงๆจะเห็นนะขันเป็นตัวทุกข์ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะแต่ถ้าจิตไม่ไปยึดถือขันนะจิตไม่ทุกข์ไปด้วยเนี่ยธรรมะท่านระเมียดละไม่มากเลย อย่าบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอะไรที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นมรรคอริยมรรคมีองคปดพวกเรารู้จักไหมไม่รู้จักใช้ไม่ได้เลยนะถ้าเป็นชาวพุทธไม่รู้จักอริยมรรคมีองคแปดองแปดฟังแล้วมากไปย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าบอกศีลสมาธิปัญญานี่มรรคเนี่ยนะแยกออกมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญามรรคมีหนึ่งนะแต่มีองค์ประกอบ8อย่าง เหมือนแมงมุมมีหนึ่งตัวมีแปดขารวมกันเข้ามาเป็นอันเดียวงั้นถ้าถามว่ามรคมีเท่าไหร่มีอันเดียวมรคมีหนึ่งเท่านั้นแหละแต่ว่ามีองค์ประกอบ8 อ, อย่างใน8อย่างนย่อลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำไมหลวงปู ด, ดูลบอกดูจิตเป็นมรคไ ม, ไม่ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นมรคถ้าภาวนาเป็นนะเข้าใจคำสอนของหลวงพู ด, ดูลดูถูกต้องนะ จะรู้เลยว่าถ้าดูจิตเป็นนะก็จะมีศีลดูจิตเป็นจะเกิดสมาธิดูจิตเป็นจะเกิดปัญญาทําไมท่านเน้นที่จิตมากหลวงปู่ดุลเพราะทำทั้งหลายนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จด้วยใจจิตจะไปกุศลหรืออกุศลนะเราจะไปสู่ภพภูมิใดๆไปด้วยจิตทั้งสิ้นเลยจิตที่แตกต่างกันนั้นเป็นเครื่องจําแนกสัตว์ให้แตกต่างกันออกไป กิเลสก็เกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนิพพานไม่ได้เกิดที่จิตท่นนิพพานไม่มีเกิดเนี่ยธรรมะต้องต้องอย่าไปนึกเอาเองนะพอมาหัดภาวนาเข้าถึงรู้เลยว่าคําสอนคําว่าดูจิตดูจิตที่หลวงพู่ดูลสอนเนะี่ยมันครอบคลุมกรรมฐานทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้เยอะแยะเลยนะครอบคลุมเรื่องศีลครอบคลุมเรื่องสมาธิครอบคลุมเรื่องปัญญา ถ้าเราไม่ได้ไ ด, ไ, ดได้จิตมานะครูบาอาจารย์สายกรรมฐานนั่นเคยสอนนะได้จิตคือได้ทำเสียจิตไปก็คือเสียธรรมไปหมดเลยได้จิตจะได้ทำไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทำนะฟังยากไหมหลวงพ่อเทศยากไปไหมหลวงพ่อกําลังสงสัยว่าไม่ใช่เกิดภาวะเออร์เรอบางอย่างขึ้นคือคนที่มันนั่งในห้องเนี้อาจจะเป็นพวกที่เรียนมาเยอะภาวนา ม, มาเยอะ ธรรมะที่หลวงพ่อเทศมันยากขึ้นยากขึ้นพวกที่อยู่นอกห้องอยู่ข้างล่างอาจจะไม่เคยเรียนธรรมะอาจจะฟังแล้วงงหนักเข้าไปใหญ่เอาใหม่เปลี่ยนใหม่พูดเวอร์ชันที่ง่ายขึ้นหน่อยเดี๋ยวข้างนอกเขาว่าวถ้าดูจิตมีเป็นนะจะมีศีลดูจิตเป็นจะมีสมาธิดูจิตเป็นจะได้ปัญญาถ้าดูจิตไม่เป็นศีลไม่เกิดหรอกไม่ว่าจะแน่แค่ไหน รักษาจิตไว้ไม่ได้สมาธิไม่เกิดหรอกไม่ว่าจะแน่แค่ไหนถ้าดูจิตไม่เป็นนะยังไงปัญญาที่สุดแห่งทุกข์ก็ไม่เกิดหรอกเกิดแต่ปัญญาคิดคิดนึกนเ ก, กเนะนเราต้องมาฝึกก่อนฝึกให้ได้จิตของเราก่อนก่อนที่จะไปเจริญปัญญามาดูจิตให้เป็นซะก่อนนะถึงจะเจริญปัญญามีฝึกจิตให้ดีซะก่อนจะมีศีลฝึกจิตให้ดีซะก่อนจะมีสมาธิ ฝึกจิตได้ดีเราจะมีปัญญาดูจิตยังไงให้เกิดศีลปกติเราถือศีลห้าลำบากศีลข้อไหนถือยากที่สุดใครว่าข้อ1ใครว่าข้อ1ใครว่าข้อ2องสามสอ้ข้อสนี่เป็นเอกฉันถือยากที่สุดอันนั้นมัติส่วนใหญ่ว่าข้อสี่นะหลวงพ่อก็ อ, อนุโลมตามควจริงถือไม่ยากสักข้อนะ ถ้มีสติรักษาจิตคนเราทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงาจิตแค่นี้เองเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองเราถือศีลแทบเป็นแทบตายเลยรักษาศีล น, นะรักษายากเพราะเรารักษาที่มือที่เท้าที่ปากถ้าเรารักษาที่ใจการรักษาศีลจะไม่ยากเราไม่ต้องรักษาเองนะสติทําหน้าที่รักษาจิตเนี่ยในตําราสอนไว้นะสติทําหน้าที่อารักขานะ คุ้มคองรักษาจิตจิตชั่วๆอยู่เนี่ยสติเกิดนะหายชั่วทันทีเลยจิตไม่มีกุศลนะมีสติเกิดขึ้นมานะกุศลเกิดทันทีเลยงั้นเราต้องรู้จักเอาสติมารักษาจิตวิธีเอาสติรักษาจิตนะง่ายที่สุดเลยก็กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันแค่นี้เองทําไม่ได้เชื่อหรู้จักกิเลสไหมใครไม่รู้จักว่าโลภเป็นยังไงใครไม่เคยโลภมีไหมใครไม่เคย เจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือในความคิดความเห็นมีไหมรู้จักไหมยึดในความเห็นบางทีก็บางคนก็เซลจัดใช่ไหมยึดในความเห็นใครค้านหน่อยเดียวโมโหเลยนี่ก็กิเลสนะยึดถือในความคิดความเห็นนั่เป็นกิเลสตระกูลโลภะเหมือนกันชื่อทิฏฐิรู้จักโกรธไหมรู้จักกลัวไหมกลัวก็เป็นตระกูลเดียวกับโกรธเป็นตระกูลโทสะรู้จักอิจฉาไหม ใครไม่เคยอิจฉามีไหมเนี่ทุกคนไม่มีใครยกมือแสดงทุกคนเคยอิจฉาแต่ถ้าหลวงพ่อถามว่าใครเคยอิจฉาบ้างทุกคนจะไม่ยกมือห้องนี้ไม่เคยมีคนอิจฉาอันนี้เป็นวัฒนธรรมไทยนะเราไม่ยกมือเราจะนั่งนิ่งๆการนั่งนิ่งเนี่ยแปลว่ายอมรับเวลานิมนต์พระไปไหนนะไปบอกท่านดักตอนท่านเผลอๆ อ, อยู่แล้วพูดๆท่านไม่ทันฟังท่านเฉยๆเขาบอกรับแล้วเออ แต่ไม่ใช้กับหลวงพ่อไม่ได้นะเราแม่นพะวิ น, นัยอย่างนี้เรายังไม่ได้ยินเราคอยรู้ทันนะจริงๆกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วรู้จักทุกคนกังวลเป็นมไหอกลัวก็เป็นกังวลก็เป็นเห็นไหมเกรงใจเป็นไหมเกรงใจเกรงใจเป็นกิเลสไหมเป็นเหรอความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีนะโดนหลอกลนะ ในความเป็นจริงนะความรู้สึกนานาชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะหน้าที่ของเราไม่มีอะไรมากหรอกขณะนี้ความรู้สึกอะไรกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันไว้ความโกรธเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันรู้ทันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งนะว่ากุศลกับอกุศลไม่เกิดร่วมกันอก เั้นถ้าเมื่อไรเรามีสติเมื่อ น, นั้นไม่มีกิเลสเมื่อไหรมีกิเลสเมื่อ น, นั้นไม่มีสติเพะฉะ้วเราไม่ต้องไปกลัวกิเลสนะขอให้มีสติเท่านั้นแหละทันทีที่เกิดสติกิเลสกระเด็นหายต่อหน้าต่ตาเลยนี่ราคะเกิดขึ้นมาเรารู้ทันโทสะเกิดขึ้นรู้ทันนะใจหลงไปเรารู้ทันถ้ารู้ทันอย่างนี้จะไม่ผิดศีลคนทําผิดศีลนัเพราะว่ากิเลสเกิดเรารู้ไม่ทัน อย่างความโกรธเกิดขึ้นมารู้ไม่ทันนะความโกรธครอบงําจิตเพราะความโกรธครอบงําจิตได้ mm. ก็เกิดพฤติกรรมทางใจก่อน mm. เกิดมโนกรรมก่อนอยากฆ่าเขา mm. ก็ลงมือฆ่านะ mm. เกิดการทําผิดทางกายทางวาจาหรือไปด่าเขา mm. ก็ทําผิดศีลขึ้นมาไปฆ่าเขาก็ทําผิดศีลข้อหนึ่งนะโกรธเขาขึ้นมาก็แกล้งไปเผาบ้านเขานะไปทําลายทรัพย์สินเขานะ mm. ก็ผิดศีลนะ โกรธเข้าขึ้นมาก็แกล้งไปจีบลูกสาวเขาแล้วทิ้งมันนี่สะใจดีก็ประพฤติผิดในกามก็ได้เพราะความโกรธโกรธขึ้นมาไปด่าเขาก็ได้หรือไปแกล้งชมมันให้มันเหลิงเสียพูดเสียคนไปเลยนะไม่จําเป็นต้องด่ายอย่างเดียวแต่เป็นมูสาเหมือนกันนะพูดให้เขาเสียหายเราะฉนั้นถ้ากิเลสเกิดอย่างโทสะเกิดนะทำผิดศีลได้ทุกข้อแหละนะราคะเกิดก็ทําผิดศีลได้ทุกข้อ ฆ่าเพราะรักมีไหมฆ่าเพราะรักรักมากนะเขาไม่รักตอบเลยค่าทิ้งเลยไปขโมยเขาเพเพราะอยากได้เพราะเพราะราคาใช่ไหมไปประพฤติผิดในกาลเพราะเพราะราคาเขาทำได้พูดเท็จเพราะราคามีไหมมีเยอะที่สุดเวลาหนุ่มมันจีบสาวนี่แหละมันผิดศีลข้อนี้ตลอดเลยคุณสวยที่สุดในโลกมูสาละรู้ได้ไงสวยที่สุดในโลก คุณดีที่สุดในโลกนี่ก็มูสาแม้เวลากิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตแล้วรู้ไม่ทันมันจะทําผิดศีลถ้ากิเลสเกิดที่จิตแล้วรู้ทันศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเองงั้นเราหัดดูจิตนะแล้วเราจะได้ศีลดูจิตแล้วเรารู้ทันเวลากิเลสเกิดทุกคนต้องหัด น, นะพ่ออยากจะให้ทุกคนหัดถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตแล้วเรารู้ทันกิเลสจะหายไปนะไม่เพียงแต่ศีลจะเกิดนะ ความสุขก็จะเกิดขึ้นด้วยจิตมันเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาในโลกเนี้เราต้องดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลานะความสุขบางอย่างต้องแรกมาด้วยเงินแรกมันด้วยอะไรสารพัดเลยอย่างจะไปจีบสาวแนละ้วก็แลกด้วยอิสรภาพจะไปแต่งงานคิดว่าจะมีความสุขนะเสียอิสรภาพนะ้็สูญเสียบางอย่างแต่เราสามารถมีความสุขด้วยการแค่มีสติขึ้นมาเท่านั้นเอง ทันทีที่เรามีสติขึ้นมาจิตเราเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตมีความสุขอยู่ในตัวเองแล้วความสุขที่ไม่ต้องซื้อเลยนั้นเราอยู่ในโลกนะถ้าเรามีสติอยู่เรื่อยๆอยรู้ทันจิตกิเลสอะไรเกิดขึ้นมานอกจากไม่ผิดศีลแล้วยังมีความสุขอีกเยอะเลยค่อยฝึกไปนะเราไม่ต้องซื้อหาอะไรเนี่ยดูจิตให้เกิดศีลดูจิตยังไงให้มีสมาธิสมาธิมีสองประเภท สมาธิชนิดที่1ชื่ออารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอาไว้ทําสมตะกรรมฐานสมาธิชนิดที่สองชื่อลักขณูปนิชฌานนะจิตสงบตั้งมั่นมันเป็นจิตที่ตั้งมั่นในการรู้ลักษณะเห็นความเป็นไตรลักษ์ของรูปนามนั้นสมาธิมีสองชนิดนะบางคนจะบอกว่าต้องนั่งสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาไอ้นี่พูดมักง่ายไปต้องเป็นสมาธิชนิดที่สอง ที่เล็กลักขนปนิชาญจิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีความเบามีความอ่อนมีความนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานจิตซื่อตรงในการรู้อารมณนะ์ถ้ามีจิตชนิดนี้นะสมาธิชนิดที่จิตเป็นแบบนี้แหละนะถึงจะใช้เจริญปัญญาส่วนสมาธิ ท, ที่จิตสงบแน่วอยู่ในอารมันเดียวไว้พักผ่อนคนละเรื่องกันนั้นะนะถ้าจะเรียนเรื่องสมาธิก็เรียนให้ให้ดี เราจะเรียนสมาธิจนแตกฉานได้ทั้งสองแบบนะถ้าเรารู้ทันจิตตัวเองสมาธิชนิดแรกในจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะวิธีฝึกนะไม่ยากทําไมจิตของคนฟุ้งซ่านต้องรู้อันนี้ก่อนจิตของคนฟุ้งซ่านเพราะจิตเนี้ยวิ่งหาความสุขวิ่งไปดูหนังนึกว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังเพลงนึกว่าจะมีความสุขวิ่งไปกินนึกว่าจะมีความสุขวิ่งไปเที่ยวนึกว่าจะมีความสุขนะวิ่งหาโน่นหานี่ไปคิดว่าจะมีความสุข งั้นจิตนี่วิ่งพล่านๆหาความสุขทั้งวันทั้งคืนเลยจิตเลยไม่เคยสงบเลยเพราะวิ่งตลอดเวลางั้นเคล็ดลับในการทําสมถะกรรมฐานนะเราเลือกอารมณ์ที่มีความสุขต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสด้วยนะถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขนี้ใช้ไม่ได้นะไปบอกว่าทําสมถะอย่างนี้ใช้ไม่ได้มีสมาธิไหมในการเล่นไพ่มนะีแต่เป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้นะไม่ได้พักผ่อนจริงนะนะงั้นเราต้องรู้จักเลือกอารมณ์นะ เคล็ดลับอันแรกเลยของการทําสมถกรรมฐานต้องรู้ว่าจิตของเราเนี่ยชอบอารมณ์อะไรแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยัวย่วกิเลสเลยคนไหนชอบพุทโธก็ใช้พุทโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็ขรู้ลมหายใจไปคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ขดูท้องพองยุบไปอะไรก็ได้ะไม่มีความแตกต่างกันไม่ต้องมาทะเลาะกันเลยว่าสายไหนดีสายไหนไม่ดีเหมือนกันหมดอ่ะนะเรื่องของสมถกรรมฐา น, านนะอะไรก็ได้นะ ถ้าจิตใจมีความสุขแล้วอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสนะก็ใช้ได้หมดเลยเพอจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขมันก็ไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อย่างอื่นมันก็สงบของมันเองแหละอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะหัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่แหละหัดอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันนะจิตมันมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจได้บริกรรมพุทโทอะไรนี้จิตไม่หนีไปที่อื่นจิตก็ได้สมาธิได้ความสงบนะอันนี้สมาธิชนิดนี้เอาไว้พักผ่อน นะไม่ใช่สมาธิที่ใช้เดินปัญญานะเอาไว้พักให้จิตมีเรี่ยวมีแรงสมาธิอีกชนิดหนึง่งนะสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดนี้สําคัญแนะเป็นสมาธิที่อาภัพที่สุดเลยไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกนะเมื่อ 20- 30ปีก่อนเวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารยนะ์เข้าไป ว, วัดไหนนะท่านพูดคำว่าจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็คือจิตที่ทรงสมาธิ ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองจิตชนิดนี้เบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานไม่นิ่งไม่แข็งไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สุม่มไม่ทื่อสมาธิผิดๆเนี่ยหนักๆแน่นๆแข็ ง, ขงๆสุม่มๆทื่อๆถ้าเคยเรียนอภิธรรมนะจะรู้เลยว่าถ้าจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซุมจิตทื่อนี่มันอกุศลจิตชัดๆเลยภาวนายังไงเกิดอกุศลจิตเพราะไม่เรียนเรื่องจิตให้ดี งั้นบทเรียนสำคัญเลยนะในการที่จะทำให้เราได้สมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้ทันจิตบทเรียนอันนี้ชื่อว่าจิตตสิกขาบทเรียนเรื่องศีลทำไงเกิดศีลบทเรียนที่2เรียนเรื่องจิตแล้วจะได้สมาธิสมาธิทั้ง2แบบนั่นแหละถ้าต้องการทำความสงบนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขนะถ้าต้องการจิตที่ตั้งมั่นนะเคล็ดลับมีนิดเดียวนะมีสติอีกนั่นแหละ มีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นจิตที่หลงไปคิดนั่นแหละจิตชอบหนีไปคิดทั้งวันพวกเรารู้สึกไหมใครไม่คิดบ้างมีไหมเนี่ยหลวงพ่อต้องถามแบบนี้ทุกคนถ้าตอบว่าคิดหมดเลยเพราะนั่งนิ่งๆให้คอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดแต่อยู่ๆจะรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดมันก็ยากเพราะมันหนีมาเคยชินแล้วงั้นเบื้องต้นนะแนะนำพวกเราหาบ้านให้จิตอยู่สะกก่อน จิตหนีออกจากบ้านเราจะได้รู้ไหวหาบ้านให้จิตอยู่เียมีวิหารธรรมให้จิตอยู่ใช้พุทธโธก็ได้แต่ไม่ใช่พุทธโธเพื่อให้จิตสงบอยู่กับพุทธโธถ้ามุ่งไปให้จิตสงบอยู่กับพุทธโธได้สมถกรรมฐานถ้าพุทธโธเรารู้ทันจิตที่หนีพิคิดนะจะได้จิตที่มีสมาธิตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิสงบอย่างเดียวแต่สงบแล้วตั้งมั่นด้วยหายใจไป แต่เดิมหายใจอยูนะ่แล้วจิตไปรวมเข้ากับลมหายใจสว่างขึ้นมาลมหายใจดับไปมีแสงสว่างเกิดขึ้นแทนจิตรวมเข้ากับแสงสว่างไปนั่นเป็นสมถะกรรมฐานถ้าเราหายใจไปนะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันคอยรู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมานี่แหละที่หลวงปู่ดุลเ์แกจิตออกนอกเนะี่ยจิตมันวิ่งไปทาโน้นวิ่งไปทางนี้ เคยรู้ทันไปพุทโธไปจิต น, นี้ไปคิดก็รูนะ้หายใจไปจิต น, นี้ไปคิดก็รู้ดูท้องพองยุบไปจิต น, นี้ไปคิดก็รู้เหมือนกันหมดเลยกรรมาฐานงั้นมาเรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เคยปฏิเสธกรรมาฐานอะไรนะถ้าเป็นกรรมาฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเราใช้ได้หมดนะแต่ถ้ากรรมาฐานออกนอกกายนอกใจไปไม่เอาไม่นิยมคนอื่นเขาอาจจะทาได้แต่หลวงพ่อทาไม่ได้เพราะงั้นไม่แนะนำงั้นเรามาฝึกนะ คอยรู้ทันหาอารมณ์กรรมาฐานขึ้นสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้นะจะเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันฝึก อ, อย่างนี้เรื่อยๆทําไปเพื่อรู้ทันจิตถ้าเรารู้ทันจิตนี่แหละหัดดูจิตแบบนี้เรื่อยๆนะเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตดวงนี้มีลักษณะเบานะไม่หนักจิตดวงนี้นุ่มหนวนอ่อนโยนนะจิตดวงนี้คล่องแคล่วว่องไวไม่ซื ữ, ่อซื่อซื่อบื้อทื่อๆอยู่นะ จิตดวงนี้ปราดเปรียวนะว่องไวอะไรเกิดขึ้นแปลกปลอมขึ้นมาในกายรู้สึกได้อะไรแปลกปลอมขึ้นในใจรู้สึกได้ไม่ใช่ไม่รับรู้อะไรเลยงั้นสมาธิประเภท ล, ลืมโลกไปเลยเนะี่ยไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เดินปัญญางั้นต้องมาฝึกนะเรียนเรื่องจิตให้ดีแล้วเราจะได้สมาธิทั้งสองแบบถ้าอยากได้จิตสมาธิที่จิตสงบเอาไว้พักผ่อนเป็นสมถาากรรมฐาน น, ะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียว ที่จิตมีความสุขต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ย่อกิเหถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อจะเอาจิตดวงนี้ไปเดินปัญญาต่อก็ค่อยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดนั้นตรงข้ามกันเราไม่ต้องไปเกลียดจิตคิดนะแค่เรามีจิตรู้ขึ้นมาจิตคิดก็ดับนี่เราฝึกนี้เรื่อยๆในสุดเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมา พอรมีจิตเป็นผู้รู้ต่อไปเรามาดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญาวันนี้จะพูดเรื่องดูจิตเนี่ยดูจิตยังไงมีศีลดูจิตให้มีศีลก็คือรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตดูจิตยังไงให้มีสมาธิสมาธิมีสองอย่างอันหนึ่งสงบอันหนึ่งตั้งมั่นดูจิตให้สงบนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวเลยที่มีความสุขแต่ไม่ยั่วกิเลสดูจิตให้ตั้งมั่นก็คอยรู้ทันเวลาจิตไม่ตั้งมั่นจิตชอบคลอนแคลน โดดซ้ายโดดขวาหนีวิคิดตลอดนะถ้ารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานี่พอเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็มาถึงดูจิตยังไงให้เกิดปัญญาไม่ยากอะไรปัญญาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ปัญญาในการปฏิบัติธรรมต้องเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เห็นเรื่องอื่นนะไม่ใช่เห็นปฏิกูณาสุภาอะไรนะบางคนไปดูร่างกายเป็นปฏิกูณาสุภาษไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะนั่นเป็นปัญญา เรื่องปฏิคูนะสุภาเป็นเรื่องสมมุติบัญญัติอย่างเราบอกว่าศพสกปรกหน้ารังเกียจใช่ไหมทําไมแมงวันบอกศพหอมหน้าชื่นชมก็ไม่จริงแล้วเห็นไหมมันจริงสําหรับบางคนไม่จริงสําหรับบางคนอันนี้ไม่ใช่ธรรมะแต่แทแล้วไฟเป็นของร้อนแมงวันบินไปถูกไฟก็ร้อนใช่ไหมเราไปถูกไฟก็ร้อนเนไอย่างนี้ของจริง งั้นต้องรู้นะต้องเรียนวิปัสสนาเนี่ยต้องเรียนตัวสภาวะตัวที่มีจริงๆไม่ใช่เรียนตัวที่คิดิดเอาเป็นบัญญัติค่อยรู้กายรู้ใจของเรานะแล้วต้องรู้เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นแต่กายเห็นแต่ใจเป็นสมถะกรรมฐานทาไมดูกายอย่างเดียวเป็นสมถะหลักของสมถะก็คือจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวงั้นเรามาดูร่างกายอยู่นิ่งๆอย่อย่งี้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมถะ พิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูณสุภาพนคะมราคะได้จิตก็สงบสบายอยู่ในรมันเดียวที่สบายก็เป็นสมถะอีกนะถ้าเราอยากจเจริญปัญญาอยากพ้นทุกข์อยากเจอมรรคผลนิพพานจริงๆอย่าไปดูแค่นั้นต้องดูไตรลักษนะ์รู้สึกลงมาเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็ชั่วคราว ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยดูลงไปเรื่อยๆในตาําราในบทสวดมนต์ธรรมะเช้ามีนะรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วรูปังอนัตตาเลยสังเกตไหมท่านดูอนิจจังแล้วโดดไปอนัตตาเลยเออแล้ว ท, ทุกขังหายไปไหนรู้ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันเดียวกันนะอันเดียวกัน ดังนั้นดูนะลงไปในร่างกายเนี่ยเห็นน ะ, นะบางคนก็ดูได้ละเอียดเห็นร่างกายแยกออกเป็นก้อนธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธนะาตุแต่ละธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูอย่างนี้ก็ได้นะหรือมาดูจิตดูใจจิตมีความสุขก็ชั่วคราวจิตมีความทุกข์ก็ชั่วคราวนะจิตเป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็ชั่วคราวดูไปมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลย ในกายนี้ก็มีแต่ของชัว่วคราวในใจนี้ก็มีของชัว่วคราวถ้าดูได้อย่างนี้นะไม่นานหรอกเราก็จะเข้าใจธรรมะเราจะเห็นเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปอย่างร่างกายที่ยืนอยู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปร่างกายที่นั่งอยู่อยู่ชัว่วคราวก็หายไปร่างกายที่หายใจออกอยู่ชัว่วคราวก็หายไปร่างกายที่หายใจเข้าชั่วคราวก็หาย ความสุขที่เกิดขึ้นในร่างกายความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในจิตใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเนี่หัดดูของจริงลงไปด้วยตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงไปดูผู้ไปฟังผู้ไปดมกลิ่นผู้ไปลิ้มรสผู้ไปกระทบรู้กระทบสัมผัสทางกาย เดี๋ยวก็เป็นจิต ท, ที่รู้อารมณ์ทางใจจิตก็เกิดดับนี่เรามาหัดเดินปัญญานะเราคอยรู้ทันไปด้วยนะรู้ที่กายก็ได้ดูกายเป็นหลักแต่จิตเป็นคนดูเนะงั้นปฏิเสธจิตไม่ได้นะบางคนบอกว่าจะเจริญปัญญาจะรู้กายถามว่าเอาอะไรไปรู้ก็ต้องเอาจิตไปรู้สิใช่ไหมงั้นเวลาเจริญปัญญาจริงนะถ้ามีแต่รูปอย่างเดียวนะอย่ามาอวดเรื่องเดินปัญญาต้องแยกรูปแยกนามได้ รูปเคลื่อนไหวนะนามเป็นคนดูนะรูปมันนั่งอยู่นามเป็นคนดูนะรือถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้นะอย่าอวดเรื่องเดินปัญญาไม่มีจริงหรอกพูดเล่นๆไปงั้นเองนะเพราะฉะั้นการดูจิต ด, ดูใจนะนี่จะให้เรามาตั้งแต่ต้นเลยให้ศีล น, นะให้สมาธิทั้งสองชนิดนะแล้วก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินปัญญาไม่ว่าจะดูกายก็ต้องเอาจิตไปดูจะดูเวทนาก็ต้องเอาจิตไปดนะูจะดูสังขารก็เอาจิตไปดูนะ จะดูสภาวะการทำงานของธาตุของขันทั้งหลายก็จิตไปดูอยู่นั่นเองเพราะั้นการที่จะเจริญปัญญาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้สะก่อนงั้นที่หลวงพู่ดูลบอกให้ดูจิตดูจิตนะมันประนีตมากนะดูจิตเนี่ยถ้าดูจิตเป็นที่มันมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิดูจิตได้ก็จะได้เครื่องมือในการเจริญปัญญาไปดูกายก็ใช้จิตดูไปดูเวทนาก็มีจิตที่เป็นคนดู ก็จะเห็นเลยกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งสังขารก็ส่วนหนึ่งขันมันจะแยกตัวกระจายตัวออกไปนะสภาวะแต่ละสภาวะก็จะแสดงความเป็นไตรลักษณ์ของเขาให้เห็นฟังแล้วเหมือนยากนะแต่ในทางปฏิบัติจริงไม่ยากหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อมาประโยคแรกที่ท่านพูดนะั้นบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเอง อ่านจิตตนเองนะคำว่าอ่านเนี่ยไม่ได้ให้เป็นนักประพันธ์นะให้เป็นนักอ่านเพราะฉะั้นอย่าไปแทรกแซงจิตจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็มีกิเลสเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์มีแต่ของแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเห็นแต่ความเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยถ้าเห็นได้อย่างนี้นะไม่นานก็ได้ธรรมะได้ธรรมะนะได้อะไรได้การทราบซึ้งถึงอกถึงใจนะในความจริงที่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ ไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรที่ไหนเลยถ้าตัวนี้ได้นะถัดจากนั้นเราก็มาดูต่อไปอีกดูต่อไปตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นธาตุเห็นขันเห็นอายตนะเห็นอินทรีเห็นธาตุเลยพวกนี้เป็นแต่รูปกับนามแล้วก็ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นได้ธรรมะขั้นต้นเห็นว่าไม่มีเราถัดจากนั้นเราก็มาดูต่อนี่แหละดูรูปดูนามดูธาตุดูขันของเราเรื่อยไปนะ ดูจตนาตาหูจมูกนิ้นกายใจตาก็ เ, าเป็นรูปใช่ไหมหูก็เป็นรูปใจก็เป็นนามเนี่ยดูเข้าไปเรื่อยดูไปดูไปก็เห็นเลยทั้งหมดตกอยู่ใต้กล่องทุกข์ทั้งสิ้นเลยตกทั้งหมดตกอยู่ใต้กลองทุกข์ทั้งสิ้นเลยรูปก็เป็นทุกข์นะรูปนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลายัางนั่งอยู่ในทุกข์ไหมใครนั่งแล้วไม่ทุกข์บ้างไม่มีหรอก ทำไมต้องกระดุกกระดิง่งเพราะมันเมื่อยอ่ะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวอยากขับถ่ายอยากน้อนอยากนี้ร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเลยจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจถูกตัณหาบีบคั้นตลอดเวลานะเดี๋ยวอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกาย อยากได้ทำอารมณ์อารมณ์ทางใจที่ดีๆอยากนี้อารมณ์ที่ไม่ดีใจมีความอยากเกิดขึ้นจิตก็ดิ้นปรุงไปเรื่อยจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่เราคอยรู้ทันให้มากนะคอยรู้ทันไปเรื่อยสุดท้ายวันหนึ่งนะมันจะเห็นเลยว่าขันทั้งหลายเป็นทุกข์เบื้องต้นมันจะเห็นรูปเป็นทุกข์ก่อ น, นะนจะเห็นร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆดูง่ายถ้าเห็นร่างกายเป็นทุกข์จิตไม่ยึดรูปไม่ยึดกายก็ไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกาย เมื่อไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ยึดรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระมันก็ไม่มีกามและปฏิฆะในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระก็ได้ภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปต่อไปไม่รวมลงที่จิตอันเดียวกนะารปฏิบัติในขั้นสุดท้ายนั้นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคที่หลวงปูดูลนพูดนะพอถึงขั้นสุดท้ายในจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือแจ่มแจ้งว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ ตัวนี้พวกเราจะไม่เห็นนะพวกเรายังเห็นแต่ว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์กระทั่งกายนะเราไม่เห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์นะเรายังเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างสติปัญญาเรายังไม่พอต้องสะสมนะมีสติเข้าไว้นะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรักษาสี่หเป็นพื้นฐานไว้ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวเองนะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรื่อยไป นี่แหละคำว่าศีลสมาธิปัญญาลงมาอยู่แถวนี้ทั้งนั้นเลยนะงั้นการดูจิตนในขั้นสุดท้า ย, ยที่จิตเห็นจิตอย่างแจม่มแจ้งก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจม่มแจ้งว่าเป็นทุกข์นั่นเองจะลงกันพอดีกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยนะงั้นที่ท่านบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจม่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยท่านพูดแบบออมๆไว้นะถ้าพูดเต็มยศพูดถูกสภาวะแท้ๆเลยจิตเห็นจิตอย่างแจม่มแจ้งเป็นอรหัตมรรค ข้ามพบข้ามชาติแตกหักกันตรงจิตนี่เองถ้าไม่ยึดจิตจะไม่ยึดสิ่งใดในโลกนะถ้ายึดจิตนะต่อไปก็ไปยึดของอื่นได้มีจิตอันเดียวนะก็ไปสร้างรูปสร้างนามเพิ่มมาใหม่ได้หมดเลยนะถ้าไม่ยึดจิตนะจิตที่เป็นมีเชื้อเกิดอยู่ภายในก็แตกสลายไปนะมีจิตชนิดใหม่เกิดขึ้นที่ไม่มีเชื้อเกิดอยู่ภายในไม่มีอวิชชานะเพราะงั้นคําว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งของหลวงปู่ ด, ดูลเนี่ยลึกนะ เบื้องต้นเห็นไปยังไม่ทันจะแจ้งเลยก็มีศีลขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาสมาธิทั้งสองอย่างแล้วก็มีปัญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจแต่เห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ขาดสติจิตไม่ลงไปอยู่ในรูปจิตไม่หลงไปอยู่ในเสียงในกลิ่นในรสนะจิตเป็นแค่คนดูพอถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตรวมลงที่จิตแล้วก็จิตเห็นว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ ถ้าเห็นตรงนี้จิตสลัดคืนจิตให้โลกก็จะไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่ปล่อยวางความยึดถือจิตได้นั่นแหละถ้ายังยึดถือจิตอยู่นะมีจิตดวงเดียวนี่แหลนะก็ไปสร้างรูปสร้างนามขึ้นมาอีกนะถึงบอกว่าวิญญาณนะวิญญา ณ, ณปัจจยานามรู ป, ปังวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนะวิญญาณตัวนี้ยังมีเชื้อเกิด ถึงมีความปรุงอยู่ภายในปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงว่างว่างบ้างเชื้อเกิดของมันคืออวิชชาอาวิชชาก็คือความไม่รู้ทุกข์นั่นแหละตัวสําคัญที่สุดถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ล้าสมุทัยเมื่อนั้นล้าสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่ก็เกิดอริยมรรคเมื่อนั้นลงในขณะจิตเดียวกันนั่นเองอัศจรรย์มากนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะแต่ไม่ยากหรอกตอนนี้ก็แค่รักษาสี่ท่าไว้ก่อนนะตั้งใจนะ ศีลห้าก็ไม่ได้นี่แย่มากแล้วนะศีลห้ายังไม่ถึงขั้นเป็นชาวพุทธที่แท้เลยต้องมีไว้ก่อนถัดจากนั้นก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่จิตมีสมาธินะเป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาถ้าจิตมันลืมเนื้อลืมตัวหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเดินปัญญาไม่ได้มันไม่รู้กายรู้ใจไม่รู้รูปรู้นามนะดังนั้ น, นะ น, นจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ร่อนหนีไปเรื่อยๆหรือไม่ใช่เพ่งให้นิ่งอยู่อย่างเดียวนะ ร่อนไปเรื่อยก็หลงไปจิตยอ่อหย่อนไปตามกิเลสไปเพ่งจิตให้นิ่งแน่วอยู่อันเดียวก็บังคับจิตมากตึงเกินไปอันนึงหย่อนไปอันนึงตึงเกินไปพอดีพอดีอดรู้พอดีพอดีอดรู้ไปส บ, สบายสบายให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูไปเลยร่างกายก็ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตดูก็ทํางานไปจะเห็นแต่ไตรลักษณ์ ถ้าดูได้อย่างนี้มากผลไม่หนีไปไหนอกไม่ยากหลวงปู่ดูลย์บอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติใครบ้างที่ไม่ปฏิบัติพวกคิดลุกเดียวคิดธรรมะอย่างเดียวเลยนะวันวันหนึ่งนั่งวิภาควิจารณ์ศึกษาท่องอย่างเดียวเลยอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติในพวกที่หลงโลกไปเลยพวกไม่ปฏิบัติพวกหนึ่งนั่งสมาธิเพ่งนิ่งลูกเดียวเลยไม่รู้รูปรู้นามอะไรแล้วลกูนิ่งอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ยก็ไม่ใช่ปฏิบัติ ไม่ได้เดินปัญญาถ้าเดินปัญญาจริงนะใจเป็นคนดูเห็นธาตุเห็นขันเขาทํางานไปดูเป็นขันก็ได้นะดูเป็นธาตุก็ได้ดูเป็นอัยตนาก็ได้ดูเป็นอินทรีย์ก็ได้นะดูอริยสัจก็ได้ดูปฏิจจสม บ, บัตก็ได้ดูได้หลายอย่างแต่ทั้งหมดนะย่อลงมาก็คือรูปนามเท่านั้นอ่ะท่านี้ก็แล้วกันยากไปไหม ยากไปจะต้องเทศแก้ตัวให้ง่ายกว่านี้เอาง่ายๆก็ได้นะรู้สึกตัวไว้ใจกําลังผ่อนคลายรู้สึกไหมหลวงพ่อเลิกเทศแล้วอสบายใจตอนหลวงพ่อยังไม่เทศก็อยากฟังเนาะฟังไปฟังมาเมื่อไหร่จะเลิกทีอ้าวอ้าวว่าไปใครจะถามกลับน้ำป ก, การหลวงพ่ออยู่ไหนหลวงพ่อยังไม่อยู่นี่เจเ้าค่ะ ปฏิบัติในแนวแนวทางหลวงพ่อมาสองปีเศษนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยปฏิบัติมาก่อนช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นโทสัจริตแรงพบว่าตลอดเวลาที่โทสะจริตที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเบาลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วพบว่ามากกว่าโทสะจริตก็คือโมหะจริตก็คือหลงหอืหลงจนช่วงหลังก็พบว่าหลงกับการมีมณณาตาเนี่ยจะ จะปรากฏให้เห็นเป็นระยะระยะอืมแต่ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเริ่มห่างออกไปนะคะช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกลัวว่าจะไม่มีเอกําลังก็เลยไปปฏิบัติในแนวทางสมถะเอช่วงตอนกลางคืนนะคะจะไหวพระสวดมนต์จะเห็นจิตหลงช่วงเดินจงกรมนะคะตรงหัวจงกรมเนี่ยจะรู้สึกกายที่เบาอืแล้วตอนนั่งสมาธินี่ก็จะเห็นจิตที่หลงนะคะแต่ไม่เคยมีจิตรวมเลยอื <P en ic> เพื่อนกัลยาณมิตรเนี่ยเคยทักว่ามาผิดแนวเหมือนจะทําเป็นสมถะนะคะอืจึงมีคําถามที่สงสัยว่าเด็กที่เบากะตอนที่รู้รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเป็นวิปัสนาหรือว่าเป็นสมาธิวิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์นะถ้าเบาแล้วก็เห็นแล้วตัวที่เบาไม่ใช่เราอย่างนี้ถึงจะใช้ได้แต่ถ้าภาวนาไปแล้วรู้สึกมันเบาใจก็ลอยลอยเบาเบาสบายนิ่งๆอยู่ตลอดอย่า ง, างนั้นติดสมถะ ถ้าใจขนาดนี้เนี่ยเบาประมาณนั้นเนี่ยเป็นสมาถะหรือว่าใจมีน้ำหนักไหมขนาดเนี้ยมีนิดๆค่ะนะมีนิดๆก็เพียงนิดๆนั่นแหละค่ะถ้ามีเยอะๆก็เพียงเยอะๆนั่นแหละค่ะก็พบว่าเนี่ยแบบอย่างนี้ใจขนาดเนี้ยเป็นธรรมชาติไหมไม่ไม่เป็นค่ะเออทำไมไม่เป็นเพราะตื่นเต้นจะประคองไว้อ๋อนะรู้ทันไปใจจะตื่นเต้นก็ห้ามไม่ได้เห็นไหม แต่พอตรงเราเข้าไปประกองเนี่ยเราเข้าไปแทรกแสงสภาวะแล้ว ใ, ให้มันตื่นเต้นไปแล้วเราเป็นคนดูเราก็จะเห็นเลยจิตมันตื่นเต้นของมันได้เองมันไม่ใช่เราหรอกอย่าไปให้นิ่งอยู่นะคอี่อยให้ติดนิ่งกาลยานามิทเขาก็บอกดีเหมือนกันแหละคนนี้เก่งนะคคนมาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะจะมีคุณกาลยานามิทเนี่ยเท่าบอกไปเรื่อยเรนะื่อยนะรู้สึกแก บ, บอกไปทั่วประเทศเลยค ตรงนี้เป็นแนวทางเจริญปัญญาบ้างยังคะอาจคือจะเจริญปัญญาได้จิตต้องถูกต้องก่อนนะะ <Okay. S 2> ถ้าจิตยังเพ่งตรึงความรู้สึกให้นิ่งยังแข็งอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินปัญญาจริงอค <Okay. S 2> จิตแล้วจิตต้องตั้งมั่นถึงฐานมันจริงๆถ้าไม่เพ่งไม่แน่นนะเบาๆแต่ว่าไม่ตั้งมั่นนะจิตสว่างว่างออกไปข้างนอกก็ไม่เดินปัญญาจริงอีกดัง <Okay. S 2> นั้นต้องไม่ตึงไปไม่หย่อนไปขนาดนี้ตึงไปท <Okay. S 2> ําไมตึง เพอยากให้มันเรียบร้อยใช <Okay. S 2> ่ไหมมีความอยากซ่อนอยู่ความอยากเป็นกิเลสเกิดการกระทํากรรมก็คือการตรึงไว้ <Okay. S 2> เกิดวิบากเกิดทุกข์เกิดแน่นขึ้นสังเกตไหมจิตจะเบาจิตจะแน่นเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นผลนะ <Okay. S 2> เราดูไปด้วยนะเราเห็นได้ว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ธ <Okay. S 2> าตุขันทั้งหลายขันนั้นเป็นตัววิบากส่วนใหญ่นะ มีตัวกิเลสลกับตัวกรรมอยู่นิดหน่อยค่ะรัขบขคุณค่ะต้องสบายต้องสบายยิ้มหวานหวานนึกถึงตอนเด็กๆจิตใจตอนเด็กๆที่ยังภาวนาไม่เป็นอันนั้นแหละดีที่สุดเลยสำหรับการที่จะเจริญปัญญาพระจิตของเด็กนะกระทบอารมณ์อย่างนี้ก็มีความสุข ก, กระทบอารมณ์อย่างนี้มีความทุกข์กระทบอย่างนี้เกิดกุศลกระทบอย่างนี้เกิดอกุศล เราต่างกระเด็กนิดเดียวคือเด็กมันกระทบอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกนะมันรู้ไม่ทันเราก็แค่เห็นว่าใจของเรานี่มีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะให้มันกระทบไปตามธรรมชาตนะิกระทบอารมณ์เหมือนที่เด็กมันกระทบนั่นแหละกระทบแล้วใจก็ปรุงไปเหมือนที่เด็กมันปรุงนะั่นแหละเราต่างกระเด็กตรงที่เรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะแค่นั้นง่ายง่ายสุดๆเลยหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมนะทงานอยู่กรุงเทพนี่แหละ งานเครียดตายอยู่สภาความมั่นคงตรงนะั้นนั่งรถเมล์รถติดโมโหก็รั่วโมโหเห็นไหมดูไปเลยจิตตะกี้สบายตอนนี้โมโหโมโหนานๆ น, นันน้นขี้เกียจโมโหโมโหหายไปเกิดกังวลว่าจะไปทํางานช้าเห็นกังวลเนี่ยดูไปจะกินข้าวเห็นอาหารอย่างนี้พอใจเห็นอาหารอย่างนี้ไม่พอใจนี่รู้ทันใจที่พอใจใจที่ไม่พอใจนี่ฝึกไปง่ายน กะทั้งเข้าห้องน้าหลวงพ่อยังฝึกเลยนะบางคนสอนกันบอกว่าอย่าไปทํากรรมฐานในห้องน้ําบาปไม่จริงบุญนะอ่ะรารมสการ์ค่ะหลวงพ่อก็ก็ปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้ตั้งใจอยากให้พี่สาวมาครั้งแรกอะค่ะพี่สาวนะคะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําหน่อยพี่สาวอยู่ตรงการห้องอะค่ะช่วยยกมือ ขอให้หลวงพ่อเห็นหน้าหน่อยสิพี่สาวช่วยยกมือหน่อยค่ะพี่ใจค่ะวันนี้เหลอชื่อสาวพี่สมใจค่ะทําไมล่ะเขาจะส่งกันบ้านอะไรก็อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําพี่เขาปฏิบัติตรงนีค่เาเคยฟังซีดียังเขาเคยฟังแล้วเอเห็นกิเลสหรือยังก็ของเขาใช่ไหมใช่สิไม่ใช่ของเราสิคือก็พี่เขาหนูว่าพี่เขาดูเจตได้ได้อะแต่แบบอยากให้หลวงพ่อแนะนําำวิธีการนี้คือต้องมีบ้านอยู่ก่อนนะ ให้จิตมีบ้านอยู่ไว้ไม่งั้นฟะุ้งซ่านไปอย่าอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตไปสบายๆพุโทโธไปนะสบายๆหายใจไปสบายๆเลือกเอาอะไรสบายก็เอานั้นแหลนะแล้วก็คอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเ ป, เปลี่ยนแปลงของจิตไปตเราพุโทโธแล้วเรารู้ทันจิตนะถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันนะแล้วก็มีศีลขึ้นมานะกิเลสเกิดขึ้นมาจิตฟุ้งซ่านไปเรารู้ทันนะความฟุ้งซ่านดับเราก็ได้สมาธิล้ ไม่ยากอะไรหรอกของหนูก็หนูว่าหนูแบบไม่ติดอะไรแต่แบบหนูรู้ว่าหนูไม่ค่อยมีกําลังช่วงนี้แต่รู้สึกว่าดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเห็นกิเลสในตัวเองเยอะจิตถึงฐานไหมขณะนี้ไม่ถึงอะค่ะเออรู้ทันก็ดีแล้วตัวสําคัญมากเลยนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะมาอวดไม่มีปัญญาแน่เดินปัญญาไม่ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ต้องสมาธิถูกชนิดนะในสมาธิ พวกปัญญาอ่อนเนาะสมาธิยังอ่อนเลยเออย่างนั้นไม่ได้นะเอ้าต่อไปขอบคุณค่ะนมัศ ก, การกราบนมัศการครับครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นมีคําแนะนํำไหมครับก็ดีแล้วล่ะรู้ว่าตื่นเต้นนะรเราอย่าไปบังคับจิตมันจิตเป็นไงรู้ไปเคยรู้สึกไหมร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันเคยครับนะดี แล้วลวที่ที่ปฏิบัติมาจากซีดีของพ่อทาถูกแนวทางไหมครัดีฝึกไปฝึกไปเรื่อยนะจนเราเห็นเลยกายกับจิตคนละอันกันมันห่างๆออกไปรู้สึกไหมคเคยเห็นบ้างมไหมว่ามันคนละอันรู้ว่ามีสติดีขึ้นเด อ, อนะรู้ว่าโกรดน้อยลงครับดี ร, บรักษาศีลง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นเหงนไหมเราพอนาหน้าเราศีลเราก็ดีขึ้น จิตใจอยู่กับเน้อกับตัวได้เยอะขึ้นไหมครับนี่สมาธิเราก็เยอะขึ้นเห็นไหมว่าทุกอย่างชัวช่วคราวชั่วคราวนี้รู้สึกนานแล้วครับนั่ น, หนแหละเราเดินปัญญาอยู่นะครับเห็นไหมการภาวนาไม่ได้ยากอะไรครับชั่วคราวนี้คิดว่าตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าอะไรๆมันก็ชั่วคราวใช่แต่ตอนเด็กเราชั่วคราวด้วยการคิดเอาแต่ตอนนี้เราชั่วคราวด้วยการเห็นเอามิปัสฉนาต้องเห็นเอา เาะปั ส, สนะคือการเห็นเนาไม่ใช่การคิดเอาต้องเห็นของจริงเห็นรูปเห็นนามจริงๆนะมันของชั่วคราดดีที่ฝึกอยู่ดีแล้วล่ะขอบพระคุณครับต้องทําในรูปแบบด้วยนะอ๋อไม่ได้ทําเลยแรงน้อยไปครั บ, รบเพราะปู่บกว่าเห็นในซีดีบอกว่าอย่าไปกําหนดพอ่อผมปู่บอกว่าอาจารย์บอกว่าเป็นวดเอาเล่สีแค่วหายพระสวดมนต์ไปนะ นั่งสมาธิจะพุทธโทหายใจอะไรก็ได้นะแล้วก็จิตหนีไปเราก็รู้จิตไปบังคับอยู่ก็รู้ราอให้ให้ทำในรูปแบบมากขึ้นใช่ไม่แรงรไม่มีแรงรแรงไม่พอกรั บ, รบน้ำมาสการหลวงพ่อครับเมื่อปีที่แล้วไปส่งกันบ้านที่สวนสันติธรรมอตอนนั้นติดเพลงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังเพ่งอยู่แต่หลวงพ่อบอกว่าให้อย่า อย่าทิ้งในรูปแบบไม่ทิ้งให้นั่งสมาธิบ้างเออก็พอพอก็ก็กลับมานั่งนะครับพอได้นัง่งพอช่วงแรกๆพอออกจากสมาธิตอนที่นั่งเนี่ยก็จะเห็นจิตมันมันวิ่งเป็นลิงเนี่ยมันมันจะแบบปุ๊บๆๆอะไรเงี้ยแต่ผ่านไปสักสองสมเดือนพอออกจากนั่งมันก็มันก็ไม่เห็นแล้ว <laughs> มันก็ <laughs> มันก็มันก็ไม่เห็นแบบจิตแบบเคลื่อนไหว ตามทันอะไรอย่างนั้นแล้วครับดูดูจิตไม่ออกนะดูกายไปดูกายคือดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่เห็นนะทําสมถะอ๋อครับก็แล้วคือพอพอปฏิบัติไปหลังๆก็จะเริ่มเห็นมันห่างๆมันมันมันจะลอยๆคือคืออารมณ์มันจะผมแยกไม่ค่อยออกระหว่างคืออารมณ์มันเข้ามาไม่ค่อยถึงจิต ห่างออกไปแต่ว่าเราต้องระวังเราจะไม่ประคองจิตให้ห่างออกมาเราจะไม่รักษาจิตมาห้ามไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์ครับคือคือเวลาเดินเดินอยู่เนี่ยมันเหมือนแบบตัวเบลอๆลอยอกระโดดไปห่างๆแต่อาการอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกับตอนที่ผมกินยากแก้เมารถคือคือคืออย่างนั้นอนะ่ะมันจะมันจะลอยเบลอๆจริงๆครับไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวรู้จริงไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะเห็นว่าเอ้ยตอนนี้ ร่างกายมันเหมือนไม่ค่อยสมัมผัสอะไรเลยครับหลอันนั้ น, อ, อ, น, น, นอันนั้นจิตมันพลิกไปเรื่องสมาธิเยอะไปสมาธิเยอะไปะถ้าถ้ามันแยกรูปแยกนามได้จริงๆนะมันรู้สึกเต็มที่อะไ ม, ไม่รู้สึกลอยลอยไม่ใช่อ๋ออันนี้ขอขอกันบ้านหลวงพ่อเพิ่มครับทาได้ดีนะแต่ว่าจิตต้องถึงฐานจริงๆอีกนี้ต้องต้องเพิ่มต้องเพิ่มในรูปแบบไหมครับเพิ่มสมาธิเพิ่มในรูปแบบ แต่เวลาเราทำสมาธิเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนออกไ ป, เ, ปเราไม่บังคับว่าห้ามเคลื่อนแค่รู้ทันว่ามันเคลื่อนอแล้ว ม, ลมันจะพอดีนะถ้ากลัวมันเลื่อแล้วบังคับใไ้มันจะแน่นเกินไปตึงเกินไป้เคลื่อนไปแล้วก็ยังไม่เห็นอันนี้หย่อนเกินไปบางทีนั่งแล้วมันก็เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเบอร์ไปแล้วแบบพอมีเสียงอะไรทิ้ขึ้นมามก็จะรู้สึกว่าอะแล้สติออนไปสติออนไปเลย<อ> ถ้าสติอดไปก็เปลี่ยนจังหวะหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาเอาใหม่ครับคขอบคุณครับอย่าปล่อยจิตให้เคลิ้มเลิไปนะเดี๋ยวไปเดินข้ามถนนก็ใช่ครับบางบางทีมันเบาวูบเดียวไปถึงปลอมมโลกแล้วบางบางทีรู้สึกแบบอะไรก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นคือแบบมันกลายเป็นไม่สนใจไม่ไม่สนโลกไปเลยอันั้นแหละจิตมันติดสมถะติดสมถะติดสมาธิอยู่ข้างใน อืออกมารู้สึกร่างกายเยอะเยอะขึ้นครับอย่างนี้ก็คื อ, <มา S 2> ต, อต้องเปลี่ยนจากนั่งมาเป็นเดินจงกรมเได้ไปกวาดบ้านยิ่งดีใหญ่ ค, ค, คนไหนบอกเดินจงกรมไม่เป็นนะไปกวาดบ้านหัดกวาดบ้านบ้างไปกวาดแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปด้วยน่าได้ทํากรรมฐานทั้งวันเลยนะคนรุ่นเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องทุ่นแรงหมดซักผ้าสมัยก่อนหลวงพ่อซักผ้าด้วยมือนะซักผ้าเนี่ย หน้าหนาวเนี่ยใจมันกลัวน้ํำนะเราก็เห็นใจมันกลัวร่างกายขยี้ผ้าอยู่เราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เจริญสติอยู่ได้ทั้งวันเนยลยก ว, วาดบ้านเราก็เจริญสติได้ลดต้นไม้นะอาบน้ําให้หมาอะไรนี้เจริญสติได้หมดอ่ะก็เดี๋ยวนี้จ้างคนใช้มาทําหมดเลยนะแล้วนั่งใจลอยไปเรื่อยๆขอบพคุณค่ะกับขอบคุณหลวงพ่อค่ะอืม ยที่คนนี้ยังไม่ทันถามเลยขอบคุณละทั้งที่แล้วที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าคือต้องอยากให้อยากาเวลานักนิดนึงเวลาจะทำสมาธินะอย่าไปเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองไม่ใช่เริ่มต้นไม่ถูกอพระเจ้าสอนง่ายๆนะดูกราภิกสุทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า หายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้วหายใจเข้ายาวไม่มีเลยนะว่าพิสูจนเท่างหลายตั้งกายตรงดําโลสติปัชฌพนาบังคับจิตให้นิ่งก่อนแล้วค่อยหายใจเกินนะเกิน <ül> ที่ท่านสอนถึงทํายากแล้วจิตมันพอบังคับมากมันเคลิมลงไปสมาธิมันล้ําสติไปแล้วพอมาเดินถนนนะเดี๋ยวลอยเลยนะลอยเอออย่าไปลอยมันวูบเดี๋ยวถึงพรมละลกจริงนะอ่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อยากบีอะไรอะค่ะแต่ว่ามันเหมือนว่ามันเหมือนจิตมันจับธรรมะเยอะแยะไปหมดจนหนูก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้มีหลักหรือเปล่าเขาบอมันฟุ้งในธรรมะมากไปหาบ้านให้จิตอยู่ไปคือมันรู้สึกจริงๆว่าไม่รู้จะจับอะไรมันหาอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนนะจะพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรย่งแล้วแต่สะดวก แล้วก็คอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถ้าไม่มีบ้านให้จิตอยู่เลยนะี่จะเวงว้างแบบนี้เลยคุยงแล้วก็ไอพุทธโธด้วยอะค่ะคือแต่ก่อนกนะ็คือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าเหมือนมันไปไวจังคือมันบัางแว บ, บไปไหนไม่รู้ก็เลยลงองเปลี่ยนเป็นพุทธเข้าไปลึ ก, ลก ลึกลึกแล้วมันบางทีมันก็แน่น อ, อกบางทีก็ไม่แน่นพอโทก็คือปล่อยออกไปเลยเพราะว่าแต่แป๊บเดียวบางทีก็เกิดปิติคิดว่าเปลี่ยนแนวเผื่อชีวิตมันจะดีขึ้นนะคะในนั้นมันมุ่งไปทางสมถะนะเราทําเป็นแค่เครื่องรู้เท่านั้นเครื่องสังเกตมีพุทโธหรือมีกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเพื่อจะคอยสังเกตจิตไมใ่ให้จิตมันหนีนาน แล้วก็ให้จิตมันรู้จักพักอยู่ในอารมณ์มันเดียวบ้างนั้นมันจะร่อนรนไปจะฟุ้งแล้วควรจะพุทโธแบบไหนอะคะฮะพุทโธแบบนี้แหละพุทโธพุทโธพุทโธเสือไปเลยพุทโธใหม่พุทโธพุทโธไม่บังคับนะไม่ต้องไปบังคับให้มันลึกโอ้ไม่เอาบังคับทำไมเหนื่อยเวลามันลึกมันลึกของมันเองอะแต่ถ้าตอนอยากสงบอยากพักผ่อนก็ ก็บังคับได้ไหมคะบังคับมันไม่สงบสิเวลาจะนอนหลับนะแล้วนอนไม่หลับบังคับให้นอนหลับมันหลับไหมไม่หลับหรอกงั้นเวลาจะให้จิตเป็นสมาธินะเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่สบายนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินทําใจรีแลกซ์แต่ว่ารู้เนื้อรู้ตัวรีแลกซ์รู้เนื้อรู้ตัวถ้าแน่น อ, อกนี่คือไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วนถ้าแน่น อ, อกแล้วบังคับมากไป แล้วตอนนี้ที่บางทีแบบอยู่ๆก็เหมือนบางทีมันก็คิดไปเองว่าร่างกายมันสกกระปกบางทีก็<ม>รู้คือรู้เห็นกิเลสแล้วก็กิเลสดับคือจา ม, มามันธรรมะมันเหมือนมันมาหลายเจ้ามากแล้ว<อ> <laughs> แล้วบางทีแต่มันก็ทำให้หนูรู้สึกรักเพื่อนร่วมงานแล้วก็ขัดห้องน้ำเก็บพ้าคลี่มีความสุขขึ้นนะคะแต่ว่า หนูก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะหลักรอยไปหรือเปล่าฉันเหมือนไม่มีหลวงพ่อหรือไม่มีอะไรคือมันหลายมากมีหลวงพ่อหลายองค์อยู่ในใจค่ะก็เลยอยากให้ห ล, หลวงพ่อช่วยแนะนำเอาหลวงพ่อพูดสิพุดโทพุทโทไปนะเอาสักอย่างหนึ่งนะเอาสักอย่างหนึ่งตัวสำคัญไม่ใช่ว่าจะฝึกแนวไหนหรอกนะเราสังเกตเอากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราเรารู้อะไรแล้วสติเกิดบ่อยเราเอาอันนั้นแหละ จะมาถามออกหลวงพ่อสอนอะไรพูดยากนะลูกศิษย์หลวงพ่อมีตั้งแต่หายใจทำสมาธิเข้าฌานพวกหนึ่งแยกธาตุแยกขันธ์พิจารณากายอะไรเงี้ยมีทุกทุกแบบอ่ะจุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าทำได้ถูกหลักไหมถ้าถูกหลักแล้วก็ไปเลือกอารมณ์กรรมฐานที่พอเหมาะพอควรกับแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าให้ใจมันฟุ้งในธรรมะเยอะไปนะ หาเครื่องอยู่ให้จิตสักอันหนึ่งก่อนแล้วก็อยู่ไปสบายๆจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้ไม่แตกต่างกันหรอกจะดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปก็รู้ทันค่อยๆรู้ทันนี่ก็อยู่กับพุโทโธสบายๆแล้วก็รู้ทันกายรู้ทันใจไปก็พอแล้วใช่ไหมครับโอ้ยพอแล้วเอาอะไรนักอะแค่นั้นก็พอแล้วรู้ไปสบายๆนั่นแหละถึงจะเห็นของจริง รู้ไปลําบากลําบากก็ได้แต่ความเครียดจิตเครียดเป็นอกุศลจิตนะเป็นโทสะมูรจิตแก้ไม่ได้อะเพราะงั้นหนูหาเครื่องอยู่ให้จิตนะแล้วอย่าไปเค้นมันอย่าไปบีบมันครับกนามสักการหลวงพ่อนะคะก็วันนี้มาฟังครั้งแรกก็อยากขอคําแนะนําในการปฏิบัติแล้วอยากรู้ว่ามีอะไรต้องแก้ไขตรงไหนไหมคะอืมีแก้ต้องแก้กันทุกวันอะ่ะ ภาวนานะคือใจเราไปติดไปค้องอะไรเราคอยรู้ทันไปกิเลสอะไรมันขึ้นมาแล้วมาครอบงําเราได้เราคอยรู้ทันแก้ไขไปกุศลอะไรยังไม่มีเราสำรวจตัวเองพัฒนาคุณงามความดีขึ้นไปต้องปรับปรุงทุกวันแต่ตัวสําคัญนะรักษาศีลห้าไว้ก่อนรักษาศีลห้าได้นะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวเองรู้สึกตัวไปเรื่อยๆดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานฝืน อ, อย่างนี้แหละ ขอครับ่ะครับการนมัสการครับหลวงพ่อก็เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อสองปีก่อนนะครับหลวงพ่อบอกให้แนะนําให้กายช่วยนะครับให้อะไรนะให้ใช้กายช่วยครับแล้วก็ก็เจริญสติในชีวิตประจําวันมาตลอดนะครับแต่ว่าทําในรูปแบบนี้ยังไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยก้าวหน้าครับไม่ใช่อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำควรควรทําในรูปแบบนะควรทําจะทําให้จิตมีกําลัง ถ้าไม่ไม่ทําเลยนะยจิตจะไม่ค่อยมีแรงเหมือนเจริญปัญญาหยุดแต่ว่าจิตไม่มีพลังเนี่ยต้องทำราชการการก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าค่ะแล้วก็เพยียมปฏิบัติกที่ฟังซีดีอะค่ะแต่ว่าเห็นรู้เห็นชัดเจนขึ้นว่าชีวิตเต็มไปด้วยกิเลสแล้วก็เห็นอัตตาตัวเองชัดเจนค่ะเห็นไหมว่าใจมันเบาขึ้นเอ่อ เห็นค่ะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์อะไรที่ที่เข้ามากระทบ ก, ก็จะสติแตกเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกรู้สึกเลยว่าสติหายหายแบบหายเลยค่ะดีนะดีแล้วก็คือแต่ก่อนเนี้ยแตกไปเราไม่รู้อะตอนนี้แตกแล้วรู้ดีค่ะแล้วก็ใช้เวลารู้สึกว่าเรียกเรียกสติกับมายากอะค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติเนี้ยถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าคือขั้นแร ก, กต้องรักรรษาศีลไว้ก่อนนะ เวลาเราสติแตกจะได้ไม่ผิดศีลต่อมาก็มาฝึกทุกวันทําในรูปแบบนี่แหละวันไหนฟุ้งซ่านมากก็ฝึกให้สงบวันไหนสงบแล้วก็ฝึกให้ตั้งมัน่นใจหนีไปคิดรู้ทันอะไรตั้งมั่นแล้วนะวันนี้ก็จิตตั้งมั่นแล้วมาดูไปเลยร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นของถูกรู้ถูกดูนะอะไรมีปัญหานิดนึงค่ะเพราะว่า ที่หลวพ่อบอกว่าให้หาบ้านให้จิตอยู่บ้านที่สบายก็คือพยายามลองปฏิบัติมาหลายแบบค่ะทั้งหลวงพ่อเตียนทั้งลมหายใจทั้งฟังยุกฮะแต่พบว่าจิตมันไม่เข้าบ้านไหนเลยครับมันไม่สบายสักบ้านเลยก็เลยจะจะยังสงสัยแล้วก็รู้ว่าสงสัยว่าเอ๊ะทําไมมันมันมันนถึงไม่ไม่ยอมเข้าบ้านแล้วแล้วเห็นว่าว่าจิดูร่างกายไปเรื่อยเก็ได้นะเห็นดูไปเห็นกระดูกในตัวเราอนะ เห็นกระดูกมันหันซ้ายหันขวาอะไรงนี้ก็ได้นะ<ม>แล้วใจมันหนีไปเราคอรู้จะได้จิตจะได้มีพลังมากขึ้นค่ะขอขออนุ ญ, ญาตถามแทนเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติอีกอีกข้อนึงค่ะคือจะมีเพื่อนที่คุยที่ปฏิบัติเริ่มต้นมากๆแล้วก็คือทุกคนก็จะเหมือนชีวิตติดอยู่ในทางโลกเยอะค่ะแบบโลกโกรธงงเยอะแยะอะไรอย่งนี้ยค่ะทีนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าเาสมการปฏิบัติเนี่ยค่ะ ทุกคนเนี่ยคุณจะต้องมีสมถะควบคู่กันกับการดูจิต ด, ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าคือคือเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเริ่มสำหรับผู้เริ่มไหมคะคือคนที่ไม่เคยหัดเลยนะเราไปชวนทําสมถาเนี่ยไม่ค่อยทอําอ่ะนะงั้นเบื้องต้นอาจจะใช้ปัญญานําก่อนการปฏิบัติไม่ใช่ว่าต้องสมาธินําปัญญานะพ <c oughs> ระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้งหลายแบบเช้ปัญญานําสมาธิก็มีปัญญากไปสมาธิควบกันเลยก็มี งั้นถ้าเพื่อนเราไม่เคยภาวนาเลยนะทำอะไรไม่เป็นเลยเนะี่ยให้เขาหัดรู้ความรู้สึกของเขาไปก่อน mm hmm. พอเขาหัดรู้ความรู้สึกไปได้บ่อยๆนะความรู้ใจเขาจะเปลี่ยนพอใจเขาเปลี่ยนแล้วเราค่อยเป็นชวนทําในรูปแบบนี้แหละหลอกให้ทําสมถ mm hmm. นะอย่างหลวงพ่อน่าจะหลอกญาติโยมนะไมบอกขอห้านาทีขอสิบนาทีหลอกให้ก่อนเดี๋ยวพอเขาหัดทําไปเรื่อยวันหลังทําเป็นชั่วโมงเลย แสดงว่าจริงจริงแล้วจำเป็นจะต้องทําควบคู่กันใช่ไหมคะมีะประโยชน์ ม, มีประโยชน์น ะ, ะแต่ถ้าจะทําสมาธิแล้วจิตติดนิ่งอยู่เงี้ยดูจิตไม่ได้ถ้าจิตทําสมาธิออกมาแล้วนิ่งเฉยนะต้องดูไกย่ยถ้าจิตมันนิ่งไม่มีอะไรให้ดูแล้วอย่างของที่นูลองสมาะค่ะก็เออไม่ไม่ไม่สามารถเจอทางไตกลางเลยครับหลวงพ่อแบบไม่เพ่งก็เผอเลยครับก็เลย คือแต่แต่เข้าใจที่ที่ที่หลวงพ่อทิบายค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วค่ะมันก็มันก็ยังเพ่งเผลอเพงเผลออย่างเงี้ยค่ะคือเป็นอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วค่ะก็ะเลยไม่ไม่ได้ทราบว่าวิธีที่จะทำให้ถึงตรงกลางได้ที่ถูกต้องมันมีรูวรร้ว่าเผลอรู้ว่าเผลอแล้วมันจะกลางเองถ้าจะทำกลางขึ้นมาจะไม่มีนะจะมีแต่ตึงเกินไปนสมถา ง, ง่ายนะ สมถาถะไม่เลือกอารมณ์อะอารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้ใช้ทําสมถะได้หมดเลย mm hmm. อย่างหลวงพ่อนะเวลาก่อนจะเทศเห็นไหมหลวงพ่อกราบพระหลวงพ่อกราบพระหลวงพ่อทำสมถะนะ mm hmm. แล้วกราบเราเราเลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจิตเรามีปีติมีความสุขขึ้นมาได้สมาธิขึ้นมาแล mm ้ว hmm. ง่ายจะตาย แต่ถ้าสงบสงบจ้างก็ไม่สงบหรต้องรู้เคล็ดลับนะธรรมะเห็นเห็นเห็นว่าชีวิตไม่ได้ไม่ไม่กล้าใช้คำว่าเห็นค่ะหลวงพ่อใช้คําว่ารู้สึกว่าชีวิตมันทุกข์จังเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะเห็นทุกข์อะค่ะจิตมันไม่ยอมเห็นทุกข์เลยค่ะจิตนั่นแหละจิมันแบบแสายแล้วก็ยิ้นดิ้นดินดินดิ้รู้ทันไปเรืยนะอดทนไหมต้องทนนะดูแล้วดูอีกไปเลย จิตไม่ยอมรับหรอกว่าขันทั้งหลายเป็นทุกข์มันรักขันมันมั น, ม, นมันต่อสู้สุดๆเลยใช่มไม่ยอมรับอะไรอยใช่มไม่ยอมหรอกเพราะฉะนั้น <c oughs> คนที่เข้าถึงธรรมนะเลยมีน้อย <c oughs> แล้วคนที่หลงโลกก็เลยเยอะก็ลูกคนขอหลงพ่อเมตตาขอวิหารธรรมือวิหานธรรมผมอยู่ในกายในใจเราขอหลวงพ่อไม่ได้เดี๋ยววิหารหลวงพ่อแหวน รู้สึกของเราไปหลวงพ่อบอกไปแล้วคอยรู้สึกกายไนะอย่างพนนมือเนี่ยเห็นเห็นร่างกายมันพนมมือเห็นร่างกายมันพยักหน้านะดูไปดูไปจะเห็นกระดูกพนมมือเห็นกระดูกพยักหน้าเลยก็ได้ดูไปได้ใจก็ได้สมาธิขึ้นมาขอบค่ะขอถวายตั้งแต่ฟังสีดีหลวงพ่อมาหนูก็ปฏิบัติสิ่งห้างได้ค่ะแล้วก็ประมาณปีกว่าแล้วขอถวายการปฏิบัติบูชาคุณพระลาปนาใจและหลวงพ่อค่ะสาธุชอบมากเลยอย่างเนี้ย การนมัสการพระคุณเจ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ถามยมยมเจอโลกธรรมแปดคือเสื่อมลาบเสื่อมยศครั้งแรกเกือบข่าตัวตายพอดีลูกพาไปอยู่วัดประมาณสิบบัดมาแล้ววัดละสามเดือนสี่เดือนก็ไม่รู้วิธีภาวนาได้แต่สวดมนต์ล่นวัดไปมนเลยจนวันหนึ่งลูกเอาสีดีมาให้ฟัง ฟังครั้งแรกก็งงเอ๊ะพระอะไรพูดแต่คำพูดไม่เทศเลยก็ว่าท่านขอโทษนะคะก็ว่าท่านในใจฟังไปฟังมาฟังสักหกเดือนก็ไม่เก็ดมาอ่านหนังสือท่านก็ไม่เข้าใจนั่งหลับตาเข้าฝานั่งหลับตาและนานหลายเดือนก็กลับมาอ่านอีกเข้าใจอ่านสลับฟัง นั่งหลับตาสลับฟังนั่งหลับตาสลับอ่านไม่สนใจว่าจะกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีขณะ น, นี้ผ่านมาแล้วสามปีเพิ่งได้ถามอยากจะเรียนถามว่าโยมเตรียมตัวตายแล้วโดยคืนสมบัติให้โลกตามตามในซีดีและใจก็คืนด้วยแล้วก็เคยอยากจะทำหนังสือแสดงเจตนา ไม่ขอรับการโอนในบัตรจากแพทย์ตา ม, มพรบรสส .2550 ม, มาตรา12 <ม>ก็ว่าจะเขียนไว้ว่าฉันไม่เอานะเครื่องช่วยหายใจ<ม> อ, อาหารทางสายยาง<ม>สั่งลูกไว้ลูกบอกว่าแม่ตายแม่ไม่รู้หรอกผ ม, มทำเอง<ม>ไอ้ไอลูกเนี่ยมันพาไปวัด<ม>ตอนแรกก็เกือบตีลูก ตอนหลังก็พอ ย, ยังชั่วลูกเป็นอาจารย์สอนธรรมะมกับลูกสะพ้ยนั่งอยู่ข้างหลังทีนี้ก็พอตอนหลังนีเ้เราจะต้องไปทำหนังสือแสดงเจตนาทำไมในเมื่อเราก็จะทิ้งกายแล้วช่างหัวมันเถอะอเขาจะทำอะไรกับกายเราดินน้ำลมไฟมันจะแตกก็ช่างไปแล้ว ทีนี้ก็มอบสมบัติให้ลูกปขายของที่รักแหวนเพชร ท, ที่รักสร้อยคอที่สะสมมาตลอดชีวิตขายแล้วก็ซื้อบ้านให้ลูกอืคือตัดตัดสมบัติออกไปอยากจะเรียนถามท่านว่ามันเป็นตัญหาหรือว่าเป็นการพัฒนาของจิตอ้าวพัฒนาสิการพัฒนามีเป็นชั้นชั้นไปนะ เ, เป็นลําดับไปในตอนนี้ เ, เราสลัดเครื่องรุงรังออกไปก่อนต่อไปเราก็มาฝึกจิตฝึกใจของเราต่อ คอยรู้ทันกิเลสของเราไว้กิเลสนั่นแหละศัตรูตัวร้ายทำให้ชีวิตไม่มีความสุขคอยรู้ทันกิเลสเละไปอยู่วัดวัดหนึง่งเจอแม่ชียกมือตลอดเวลาที่พราเทศโยอมก็มอว่าแม่ชีนี้ทาไมสลิดนักต้องมายกมือตลอดจนวันนี้ตัวเองยกด้วยใจศรัทธาตั้งมัน่นยกด้วยใจนอบน้อมบูชายอย่างจริง่ง ของโยมนะคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันนะเจนี่ยอย่างเราเวลาเราไปยึดในความคิดความเห็นเราอยู่กับหมู่คณะเนี่ยนะมันกระทบกระทั่งง่ายเราคอยรู้เลยเนี้ยเรายึดความเห็นของเราแนละ้วพอรู้ทันเนะี่มันไม่ยึดนะอยู่ตรงไหนก็สบายเจโยมไปหาหมอเป็โล่หัวใจความดันโลหิตลุงเบาหวานเพียบ ป้าก็ว่าหมอก็เป็นลูกศิษย์ของท่านก็ไม่ได้คุยกันเรื่องเรื่องรักษาโรกหมอก็ถามแต่เรื่องของพระอาจารย์พ่อเอานังสือพออาจารย์ไปให้ก็มีความสุขพูดแต่เรื่องพรออาจารย์ปราโมทไปครึ่งชั่วโมงจนคนไข้คนอื่นเขาค้อนแม่ยายคนนี้ทำไมได้เข้าหาหมอนานจังพอพูดถึงหลวงพ่อหมอก็มีความสุขอ๊้ยทำไมทาไมมีบุญแท้ ทำไมไม่ได้นั่งสมาธินานจังเลยเช้าเที่ยงเย็นก็เลยบอกว่าจะนั่งอธิษฐานให้หมอได้นั่งบ้างหมอรู้วยด้วยอืพอละให้คนอื่นบ้างอีกนิดหนึ่งค่ะส่งทรงบุญส่งกุศลถวายพ้าอาจารย์ทุกวันได้รับไหมเจ้าคะถวายพระเจ้าอยู่หัวด้วยปะถวายอาจารย์อยู่อย่าลืมท่านนะท่นเป็นหลักของแผ่นดิน นกมรดการหลวงพ่อป harma ครับวันนี้เป็นวันเกิดแล้วก็ส่งการบ้าน อ, อนุ ญ, ญาตส่งการบ้านรอบ2ปีครับผมครั้งแรกที่ไปกับหลวงพ่อประโม a ที่สวนสันติธรรมหลวงพ่อบอกว่าให้ดูกายแล้วก็ดูมาเรื่อยๆก็ดูไปดูมาก็วันหนึ่งก็เห็นคือคื อ, คอปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะก็เอาหนังสือของนิไกเซนมาอ่านวันนั้นอ่านเสร็จปุ๊บก็ลงไปนอน เห็น <c oughs> คือนึกยังไงตัวเราก็ไม่ใช่ของเรานึกมันเกิดขึ้นอยู่ประมาณสัก5้านาทีะครัแล้วพยายามดึงให้ว่าเป็นของเรามันก็ไม่ใช่เลยปล่อยมันไปอแล้วก็ก่อนเข้ามานี้เรฟังเวลาขับรถเนี่ยมีความรู้สึกว่าทําไมฟังเทปของหลวงพ่อปุ๊บมันเจริญสติได้ดีกว่าเวลาที่ไม่ฟังก็แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งไม่ต้องแปลกใจก็ฟังไปครับผมเจริญสติไปครับผมแล้วก็หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเห็นเห็น เห็นโดยเฉพาะตอนขับรถเนี่ยฮะมันเห็นจิตมันเฉล ập ไปฉล ậ มาจนเห็นเป็นฉอดๆตลอดจนบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าจนเรามองทางไม่ทันนะฮะเหมือนก็มีอยู่ก็คือว่ามืดแบบเทาๆสว่างรู้ตัวเทาเทสว่างเทาๆสว่างเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับก็คือฟังจากซีดีหลวงพ่อประโมทที่ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าลองให้เพ่งที่อ่าที่ว่าพระพุทธรูปแล้วเห็นว่าจิตมันเฉล ậ คือผมก็รู้สึกว่าออมันฉาบฉาบอยู่ตลอดเวลาเลยแต่บางครั้งสภาวะนี้ก็ไม่เกิดอืแต่มีอยู่สภาวะหนึ่งที่ว่ามีวันหนึ่งที่ขับรถออกไปเป็นครั้งแรกที่เกิดที่ว่ารู้สึกเกิดจิตมันวูบวับวุวับวุบวับอย่างนี้ฮะพอเสร็จปุ๊บเกิดอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถ้าพักหนึ่งอยู่ดีจิตมันก็แบบเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเบาจนไม่มีจิตอนะฮะไม่อยากตทีหลังถ้าเกิดอย่างนั้นรีบเข้าปั๊มเข้าอลไจอดไว้ก่อนนะครับผมเอย่าไปขับต่อจะเกิดจิตรวม ลืมโลกไปเลยไม่เห็นโลกเลยคือมันแบบเบาจนเรผมเลยมาดูจิตมัน ม, มันไม่มีน้ําหนักครับมันมนก็มันโลง่โลงๆยังไงไม่รู้อ่ะแล้วก็ก็รู้ว่ามันโล่งนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มุ่งเอาโล่งด้วยครับผมแล้วก็จะเห็นเลยจิตมันเป็นเองครับผมจิตมันไม่ใช่ตัวเราครับครับผมแล้วก็เมื่อก่อนก่อ น, ก, อนก่อนที่กําลังเข้ามาที่ห้องนี้ก็เกิดลุกตึกตื่นเต้นมากแล้วก็พยายามจะกดข่มมันพอรู้ว่าเราตั้งใจผู้ผมก็ปล่อยก็อืก็ยุกกระจิก ไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วก็ตอนที่หลวงพ่อกําลังเทศอยู่ช่วงก่อนที่จะให้ส่งการบ้านนะครับเห็นจิตมันวิ่งไปรับเสียงอย่างเดียวแต่ว่าโดยที่ว่าเหมือนกับว่าจิตมันไม่รับรู้สิ่งรอบข้างอแล้วก็เลยจริงๆจิตเนี่ยรูร้อารมณ์ได้คลั่งและอย่างเดียวครับผมขณะที่ฟังเสียงนั้ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับผมมันรู้เรื่องแล้วมันมาแปลทีหลังครับผมคือมาหลุดไปรับแป๊บหนึ่งนฮะแล้วก็รอบรอบข้างเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเป็นภาพเลอะๆไปครับผมครับแต่ว่าจิตมันไม่จับ แต่ว่าล้วหูมันไม่ได้เป็นผู้รับฟังแต่เหมือนก็ใจเราไปรับฟังตรงนั้นมันกัวครับผมดูเขาทํางานนะเห็นท่าเห็นขันทําเงินไปครับผมอที่ปฏิบัติมาถูกทาง ห, <c oughs> หรือว่าจิตไม่จิตถึงฐานไหมตอนนี้รู้สึกมันตื่นเต้นนะฮะนะมันเหมือนกับแบบว่ามันยังถึงฐานไม่เต็มที่่ครับผมใช้ได้ครับผมก็ก็ขอสุดท้ายนี้ขอถวาย ถึงที่ปฏิบัติมาทั้งหมดเป็นพุธทธะปูชาธรรมะูชาและสังฆะ<อ>ูชาแล้วขอถวายให้แกหลวงพะะ่อป<อ><อ>้าโมตวโมชกนะวันนี้ได้ของถวายเยอะเลยๆๆๆชอบที่เหลืออีกสาคนเป็นสำรองเจ้าค่ะหลวงพ่อเอาเดี้ยวๆกันแล้วกันนะไม่ต้องเล่าประวัติตั้งแต่เด็กครับกาบนวัชการพระอาจารย์ครับครับคื อ, อพยายามปฏิบัติด้วยตนเองครับคือบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองเห็นรูปเห็นแยกรูปแยกนามออกแล้วบางทีเห็นขันเป็นส่วนๆเลยครับอยากทราบว่า ไม่ทราบว่าตัวเองเห็นด้วยความคิดหรือเห็นด้วยปัญญาจริงๆครับเห็นจริงๆสิเห็นจริงๆใช่ไหมครับถ้าคิดเอาในใจมันฟุ้งซ่านครับนะอย่างนี้ใจมันมีแรงไหมมีแรงครับนะเออใจมีแรงใจมีพลังตั้งมั่นมันเห็นจริงๆหรอกครับผมอยากให้พระอาจารย์ชี้แนะนิด น, นึงครับว่าตอนนี้ควรควรแก้ไขตรงไหนมีตรงไหนยังไม่แก้ไขรู้รทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นโอเคครับคําว่าแก้คําว่าห้ามคําว่าต้องไม่มีในวิปัสสนา กราดนมันกันนะคะคือหลวงพ่อเคยเคยเตือนว่าอย่าไปกดท่นนี้ก็พยายามไม่กดแต่ท่นนี้มีอาการใหม่ก็คือว่าเกิดความสึกชาที่เบือนหน้าอกเลยไม่รู้เป็นการกดชาไปหาหมอยังไม่หาแบบเวามรู้สึกเป็นความรู้สึก<อ>แต่ไม่ใช่เรื่องโรคภัยอ่ะค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นการเก็บกดอย่างหนึ่งไหมหให้รู้รรทันจิตนะเช่นจิตสงสยัยรู้ว่าสงสยัยไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะ้วจิตเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายอะไขึ้นมารู้ทันเข้าไปที่จิต การดูสภาวะอย่างถ้าเราดูกายนะเราจะเห็นเลยล้างกายที่ชาชาอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราดูไปดูไปใจชักกังวลเอ็มเกินเป็นไรเนี่ยรู้ว่าใจกังวล น, นี่เราเข้ามาดูจิตงั้นเราภาวนาไปเรื่อยเราเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราจิตทีไม่ใช่เราดูไปแ ล, แล้วคำว่าจิตตั้งมั่นนี่จะเปรีลักษณะเป็นไงก็เสียงไม่แน่ใจว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยนะมีลักษณะตรงข้ามกับจิตไม่ตั้งมั่น จิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยฉลัไปทางตาฉลับไปทางหูฉลัไปคิดจิตที่ตั้งมั่นก็คือตอนที่ฉลับไปรู้ทันว่าฉลับไปมันก็ตั้งขึ้นมาตั้งชั่วขณะเป็นคณิกาสมาธิและตอนนี้ตัวเองเป็นพระอาจารย์ตอนนี้เหรอตอนนี้อยากรู้ไหมอยากรู้จิตเป็นอกุศลไม่ตั้งมั่นหรอกกรรมนันทสการหนองพ่อเจ้าค่ะอ เมื่อเมื่อตอนที่พี่ทางต้นเขาถามถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อถามว่าจิตอยู่ที่ฐานไหมเนี่ยแปลว่าอะไรเจ้าค่ะเล้วจิตอยู่กับเนื้อกับตัวไหมอพอดีหนูปฏิบัติใหม่เจ้าค่ะเออก็ฟังกังวลไหมกังวลในในแง่ไหนเจ้าค่ะใจคอยกังวลเรื่องน้น เ, เรื่องนี้อะไรอย่างนี้ก็มีมเรื่องเรื่องคิดฟุ้งซ่านตลอดอเวลานะเจ้าค่ะนี่แหละให้คอยรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนะ บางวันก็รู้ทันบางวันก็เผลอตลอดทั้งวันก็มีอย่าให้ใใหเผลอนานถ้าทางานยุง่งๆก็จะเผลอทั้งวันเวลาทำงานต้องเผลอ<ะ>ธรรมดาแต่เวลาที่ไม่ได้ทำงานนะใจมันกังวลอะไรขึ้นมารู้ทันใจกังวลรู้ทันรู้อย่างนี้เลยเอาความกังวล น, นี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตคือหนูหนูปฏิบัติในรูปแบบไม่เก่งเลยเจ้าค่ะเนี่ยกังวลไหมไม่เก่งเลยรู้ทันว่ากังวลนี่แหละเก่งแล้ว ก็คือถ้าถ้าเราเเหมือนสักคู่ที่ฟังหลวงพ่อแนะนําท่านอื่นเงว่าให้ให้กวาดบ้านไปก็รู้ตัวอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบไม่ไม่ไม่ได้เหมือนก็เราก็เราก็กวาดบ้านไปสิก็ใช้วิธีดูกายไปได้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนดูแต่ตัวที่หลวงพ่อแนะนํามากนะก็ดูใจกังวลรู้ว่ากังวลดูไปบ่อยๆ แล้วก็พอพอฟังหนวงพ่อแล้วก็พยายามคือหมายถึงว่าเรามีความตั้งมั่นที่จะถือศีลห้าเราก็รู้ว่าเวลาที่จะทำผิดศีลเนี่ยเรารู้สึกว่าเราละอายต่อปะา ท, ที่จะทำเราก็จะไม่ทำนี่เลยเรามีฮิริโอตตะปะนะพอเรารู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตเนี่ย น, นะสิ่งที่ได้มาอันแรกเลยฮิริโอตตปะเราละอายที่จะทำชั่วเราเกรงกลัวผลของการทาบาปศีลมันจะเกิดขึ้น สีน่าจะดีขึ้นหลวงพ่อคะมีคําถามว่าคือคุณพ่อคุณแม่หนูอะ่ะเขาเป็นคนจีนแล้วก็คือเราเนี่ยก็ไม่ไม่เคยข้องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเมื่อก่อนเพิ่งจะได้เข้ามาศึกษาเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะจูงแม่เนี่ย ม, มาแต่ว่าคือแม่เนี่ยค่อนข้างจะสนิทกันก็ค่อนข้างง่ายแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างจะห่างมากๆธรรมาดาลูกคนจีนเรามีแนวทางที่จะทําให้เราเนี่ย เราเปลี่ยนตัวเราให้เขาเห็นถ้าเราดีขึ้นมากๆเลยเขาเห็นนะแล้วเราก็ไปล็อบบี้แม่เราเปลี่ยนแม่ก่อนแล้วให้แม่เนี่ยไปสอนพ่อเราไปสอนพ่อไม่ได้หรอกพ่อไม่ยอมฟังหรอกถ้า น, นี้นะนี้ ค่ะและช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะทําการถวายปัจจัยทายธรรมแด่หลวงพ่อนะคะขอเรียนเชิญคุณพันลบไทยอารีค่ะตัวแทนจากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขึ้นมาถวายเครื่องทายธรรมแด่หลวงพ่อและเรียนเชิญตัวแทนกลุ่มธรรมทานนะคะคุณสิรยศเทพหัศดินณยุธยาถวายผ้าไตรและปัจจัยแด่หลวงพ่อค่ะค่ะขอทุกท่านร่วมกราบคําถวายปัจจัยทายธรรมตามนะคะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมกับสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ตราบสิ้นกาลนานเทินยถาวารีวหฮาปูราปริปูเรนตีสาคารังเอวเมวาอิโตทินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังขิปมวาสมิจตุสเปปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัชฉันตตสภะโรโควินาสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนศสีลิสนิจจังวุทธาปจายิโนจตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลังรักษาศีลห้านะแล้วก็ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมตัวเองแล้วก็ดูกายทำงานดูใจทำงานเรื่อยๆไปนะ ทำได้อย่างนี้เราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงถ้าเราทำไม่ได้นะเราก็เชื่อเชื่อเอามีหรือเปล่าไม่รู้นะหลกงพไปก่อนนะ